จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบารส ท, ทุกฝ่ายธรมทุกทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาใครมีความสนใจอยากจะเข้ามาร่วมก็เชิญเข้ามาได้แต่อาจจะต้องรอเข้าคิวกันถ้ามีคนเข้ามาก่อนเช่นเคยเราก็จะไปตาให้กับเด็กๆก่อนอเด็กเล็กนี้มาก่อน เอกชายนะคูณสิทธ์เก่าสิทธ์เก่าซูมแล้วเนี่ยนิมัสการค่ะพระอาจารย์ เ, เป็นยังไงบ้างสอนไม่ดื่อไหมไม่ด ไ, มได้ยินเสียงนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเสียงเบาเลยอ๋อได้ยินแล้วค่ะพระอาจารย์สงส่ยเซตติ่งผิดค่ะนิมัสการค่ะพระอาจารย์สอนไม่ดื้อไหมไม่ดื้อเครับ เไม่ได้วเลยแหละครับสนนิดหน่อยสอนนิดหน่อยไปทำอะไรมาล่ะไปทำอะไรแตกก็บอาไปทำอะไรเสียก็บอกทำา p a d เปิดถาดเขาทำต pad ค่ะดทำเปิด i p a พดถาเนอะอืมเด้อจริง วันนี้ไปโรงเรียนหรือเปล่าครับไปครับพรงนี้จะได้เล่นน้ำที่โรงเรียนครับเออมีน้ําให้เล่นด้วยเลยเล่นในสระน้ำเล่นในที่ไหนกูกูก็จะตั้งสระน้ำไว้แล้วก็ให้เด็กๆ เ, เข้าไปครับเออโรงเรียนหนูจะปิดเท่ากับหอยังหรือยังไม่ปิด ป, ปิดใกล้จะปิดแล้วครับ เอ่าดีมากต้องใจเรียนหนังสือ <บา S 2> นะครับอ่าวันนี้เรียบร้อยหน่อยรเริ่มเริ่มหน่อยวันน <c oughs> ี้มีสติวันนี้วันนี้มีสติค่ะให้ให้นั่งสงบสติอารมณ์ก่อนพระอาจารย์มาแล้ววันหนึ่งนาทีค่ะอ่าดีสตินี้สําคัญนะไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีค่ะพระอาจารย์มากกาศพระอาจารย์เอาพลังค่ะ โอเคงั้นก็ไปต่อเลยนะค่ะน้ามาสการค่ะอดีจะแมต์กับแจสตี้อันนี้ตัวสองคนนี้เกือจะเท่ากันแล้วนะขอบ่ะ<ร><ร>น้ามาสการ์พร ะ, ะอาจารย์ครับมเป็ น, นยังไงมีอะไรไหมกับวันนี้มาส่งกันบ้านครับหาว่านมาเลยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มทนความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา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 เราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นเสร็จไปเราต้องหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดยังไม่้นะต่อไปเราต้องเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นเวลาเห็นคนแก่ก็นึกถึงว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นคนแก่เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นคนตายเราก็ต้องคิดว่าเราก็ต้องเห็นว่าเราก็ต้องตายเหมือนกันนะ Uh huh. ไม่ต้องกลัวเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราเป็น u อร์ของร่างกายเราเป็นคนใช้ร่างกายร่างกายเป็นคนนับใช้เราแต่มันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราไม่ได้ตายไปกับมัน uh huh. เราเป็น invisible man uh huh. ใช่ไหมใช่ครับเราก็เราก็ไปนิพพานึไปเกิดใหม่แล้วแต่เรายังมีความอยากหรือเปล่าถ้ายังมีความอยากก็ต้องไปเกิดใหม่ ถ้าตัดความอยากได้หมดก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่ก็ไปนิพพานเท่านี้แหละไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนปัญหาก็อยู่ที่ความอยากของเรานั้นเองแล้วร่างกายเราเป็นยังไงบ้างอ่ะมีผมขนเล็บปันหนัง<ม>เนื้อ<ม>เอน็นกระดูกเยอในกระดูกมา้าม หัวใจตับท้องผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่ในสมองสีชาบน้ำดีน้ำทะเลน้ำเหลือน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไตข้อน้ำมูดน้ำมูด น้ำใส่ข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำเหลวน้ำตาน้ำมันค้นน้ำเหงื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสล็์น้ำดีเยื่อในสมองสีสับอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตสลังเพิดตับหัวใจม้มงเยื่ในกระดูกกระดูกเอน เนื้อหนังปนเล็บขนผมพยายามไม่ร่างกายน่าดูไหน่าดูไหมไม่น่าดูครับออย่าหลงนะถ้าเห็นว่าร่างกายนี้น่าดูก็แสดงว่าหลงนะไม่เห็นความจริงต้องพยายามนึกอยู่บ่อยครับวันเดียวไม่พอวันละครั้งไม่พอต้องนึกบ่อยบ่อยกป็นใคร เห็นหน้าเราในกระจกก็ต้องนึกถึงอาการ32ขึ้นมาครับโอเคมีอะไรไหมไม่มีแล้วครับไม่มีก็ไปที่น้องทิมก็แล้วกันนะน้องทิมาการขอบคุณพระอาจารย์ครับวันนี้มาทั้งคุณพ่ อ, <ข>อด้วยนะกลับมาเทการพระอาจารย์อวันนี้มาโคลสค่ะเพราะว่าพอดีแฟนลงมาจากต่างจังหวัดพอดีคุณพ่อใกล้จะ ใกล้จะใกล้จะเสียค่ะพระอาจารย์ก็เลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าท่านก็ยังยังทรงทรงอยู่ค่ะก็เลยแฟนก็เลยลงมาค่ะพระอาจารย์แฟนนะยิ่งจกคิดว่าท่านจะไปก็ไม่ไปนะใช่ค่ะใช่แล้วไม่คิดว่าจะไปก็ไปใช่ค่ะก็ก็ตอนแรกก็แต่ว่าตอนอาทิตย์ที่ผ่านมาสติค่อนข้างจะดีหลังจากที่อาทิตย์ผู้ที่แล้วได้เอคุยกับพระอาจารย์แล้วก็ก็นํากลับไป ใช่อะค่ะแล้วก็ยังคลองสติได้ดีค่ะพระอาจารย์ก็ก็เรายิ่งเมื่อกี้ก็ฟังที่พระอาจารย์พูดอะค่ะก็ก็ยิ่งคิดได้ค่ะเรื่องคุณพ่อค่ะว่าเหมือนก็เป็นแค่ร่างกายในแบบเนี้ค่ะก็เดี๋ยวก็ต้องคนเราก็ให้ด้วยว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายอะค่ะพระอาจารย์ดูตามความเป็นจริงถ้ายังไม่ตายก็อย่าไปอะหยัดให้เ้าตายค่ะถ้าเขาอยู่ก็อย่าไปรยากให้เขาตายถ้าเ้าตายก็อย่าไปรยากให้เขาอยู่ตามความเป็นจริง เราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจเราก็จะไม่วุ่นวายใจเพราะเราห้ามไม่ได้เรากำหนดไม่ได้ว่าร่างกายจะตายเมื่อไหร่เลยตายก่อนตายแล้วไม่มีใครรู้แต่ที่น่นเนี่ยเือต้องไปแน่ๆเปนะจะไปเมื่อไหร่ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ถ้าคิดบ่อยๆแล้วมันก็ใจมันก็จะไม่ต่อต้านมากเกินไปมันก็จะไม่มันก็ไม่เครียดไม่ทุกข์ ก็พอคิดบ่อยแล้ค่ะก็เลยไม่ค่อยได้ทูกแต่ที่พระอาจารย์พูดมาก็มีอันนึงว่าคื อ, อมันเหมือนพอเขาเห็นเป็นอย่างนี้ค่ะก็เลยรู้สึกเหมือนแบบก็มีความอยากอยากให้เขาแบบไปไปไปสบายจะได้ไม่ต้องอยู่ทรามานแต่เมื่อกี้พระอาจารย์ก็เมตตาให้คําสอนสั่งมาก็เลยรู้แล้วว่าไม่ควรคิดแบบนั้นนะคะใช่ค่ะก็มองตามความเั็นเองไช่นําปฏิบัติเพื่อไม่ได้ไปเปลีป่ยนอะไรเราปฏิบัติเพื่อ ให้เรารับความจริงที่เป็นไปของมันมันจะขึ้นจะลงจะเกิด จ, จะดับมันมันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ถ้าเราไปอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะทุกข์ึ้นมาทันทีค่ะค่ะได้ค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็เลยรู้สึกใจใจเบาขึ้นเยอะเลยค่ะเรื่องเรื่องคุณพ่อนี่ก็ใจใจเบาขึ้นขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะพระอาจารย์คุณพ่อไม่ได้ตายหลอกเป็นแต่คนรับใช้ท่านตายเลยค่ะ เวลาก็ต้องไ ป, ไปทุกคนเรารไม่ว่าขาวว่าเราต้องไปด้วยกันทุกค น, คคนยังไงทั้งทีมมีอะไรไห ม, มก็ทีมก็นักสมาธิไม่ค่อยได้เพราะว่ามัวแต่เออคิดเรื่องกุนตาครับอืมก็คิดถึงพระพุทธเจ้าแทนแต่พุทโธพุทโธพุทโธค่ะแต่ห้า น, า, นาทีทั้เองนะ ฝึกไว้ต่อไปจะได้ฝืนความคิดไม่ดีได้เวลาเราคิดอะไรไม่ดีทําให้เราเศร้าแล้วก็พูดโธพูดโธไปเดี๋ยวความเศร้าก็จะหายไปปัดได้ครับอ่าหนนะไูได้ไม่ต้องเศร้าเนะเพราะว่าตอนนั่งสมาธิที่ใดร้องให้ทุกทีเลยค่ะคือคือเจ้าพอนิดถึงอากงขึ้นมาเขาก็รู้สึกบบเสียใจไม่อยากให้อากงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูก็ เขาก็บอกว่าจะทํายังไงให้ออกงดีขึ้นไหมได้ไหมแต่หนูก็ไม่ได้พูดโกหกอะค่ะก็ไม่ได้บอกเขาว่าเออมันก็เดี๋ยวออกงเขาก็ทุกคนก็ต้องไปอะลูกเดี๋ยวกงเขาก็ต้องไปไปไปเที่ยวไปไหว้พระแล้วลูกเลยอย่างเงี้ยก็บอกเขาไปไม่อยากเขาก็เขาก็เข้าใจ่ะคะเขาก็เข้าใจแต่ว่าพอถึงเวลาจะนั่งสมาธิที่ไรเขาก็แบบจะร้องไห้คิดถึงคุณตาทุกทีแต่ว่า แต่คิดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ถ้าพระอาจารย์เมตตาบอกเขาให้เขาอยู่กับพุทโธเขาก็น่าจะพอจะเข้าใจอ่ะเข้าใจไหมล่ะลูกไปนะไหเนอะค<ะ>่ะ <laughs> มีอะไรอีกไหค่ะ <laughs> <laughs> <Companies S 2> ไม่มีละะแล้วค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็แค่มากรบมากรบพระอาจารย์ของกัน<ะ>สามคนนานๆจะมีโอกาสที๋่ะคะพระอาจารย์นี่ค่ะไม่ลืมจ <laughs> ดสติไปเรื่อยๆนะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกไป้นะขอบคุณค <laughs> ่ะขอบคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะสาธุค่ะ ไปที่น้องตะ ว, วันต่อน้องตะ ว, วันฮอลแลนตะ ว, วันเป็นแม่มาหรเปล่าครับนองจันรจันรครับเอ่อวันนี่แม่พูดว่ามาเข้ารู้สึก ด, ดีไม่ค่อยรู้สึกอไไม่สบายเลยเอ่ อ, มอไม่สบายค่อ่าไม่สบายน้องตะ ว, วันมีอะไรจะถามหัือเปล่าเอ่อแค่าบครั บ, รบเอ่อไม่มีคำถามอนไร้มามกราบใ เ, เ้ใช่ไ แล้วคุณพ่อล่ะคุนพอ่อไปทำงานแล้วเหรออยู่ท<งา>ี<น>่ทำงานอยูค่ค่ะทำงานวันนี้น้องตะวันไม่ต้องไปเรียนหนังสือเลกลับบ้านวก็นะเรียนแต่เออเออผมก็เออไปรเรียนเสรเออก่อนก่อนที่เออเวลาเสรอืมโอเคถ้าไม่มีอะไรก็บายบายเลยนะช่ค่ะโอเค ไปที่ท่านตอบไปอาจารย์พรมพิไยจากปตมขอบคุณอนุกูลวันดีอวัารย น, นกันค่ะอาทิตย์ที่แล้วสลบไป <c oughs> ล<ะ>่วันนี้นเลยมาเฝ้ารอร่างกายเรามมนก็้าบางทีควบคุมบางคำมันไม่ได้ก็ <c oughs> นอนสองทุ่มไปตื่นล้วปีสี่กื <c oughs> <c oughs> มันต้องการทักผ่อนก็ปล่อยทังพักผ่นไป อ, อย่าไปเฟื่อนมันวันนี้ก็เลยก็เดเลยมาเฝ้าแต่เช้าหน่อยก็<笑><笑><笑>เดี๋ยวเดี๋ยวยี่ปโอเคค่ะมาการาบพระอาจารย์ก็เห็นลัทิศที่ผ่านมาเจนเน็ตพาครอบครัวไปการาบพระอาจารย์ใ่อาจารยมีมาด้วยมานั่งฟังเทศกันที่หน้ากุฏิเราล้างิีก็เป็นสกปรกมาหลายปีแล้วฮะอืม เออทุกคนต่อไปว่าเราอาจจะต้องเป็นอะไรอย่างได้อย่างหนึ่งนั่นนะเป็นอยู่ะอเป็นอยู่ร่กายนี้เขาไม่ไม่รอเรานะคะสังขางก็ไปของมันไปก็ไม่ฟังคําสั่งตาเรื่องห้ามเขาไม่ได้ค่ะก็ต้องปล่อยเขาเขาไปดูแลไปค่ะใจเราก็อยู่กับเขาไปตามสภาพใจอยู่กับทุกสภาพได้ค่ะ ใจมีสติมีมีปัญญาใจก็รับรู้ไปเฉยๆมมนมีความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โอเคนะค่ะค <leton, S 2> ่ะค่<า>ับ <jal> ้ า, า <ๆ S 2> ถาึงไปที่อาจารย์คุณหมอภาสนาต่อคุณหมออ่ะกล่าวนาัสกันค่ะพระอาจารย์ พระอาจารย์ขอบพคุณพระอาจารย์มากมาเลยค่ะก็สังเกตตัวเองที่ไปที่วัดอค่ะไปวันพระแล้วก็มาฟังพระอาจารย์ตอนบ่ายอะอาทิตย์ที่แล้วพื้นพื้นที่แล้วอะค่ะมันได้สัมผัสกับจิตมันสัมผัสกับเสียงพระอาจารย์แล้วมันหายไปหมดเลยได้ยินแตเสียงพระอาจารย์รู้สึกแบบแล้วมันสมัยก่อนมันจะโดนมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะเด้งออกแต่ว่าตอนเนี้ยสัมผัสได้เลยว่ามันมันอยู่นั่นตลอด cover แล้วก็ไม่มีน้ําตาไหลเดินทางพระอาจารย์ก็สัมผัสได้ว่ามันมันคือแบบมันมันเหลือแค่จิตกับ เสียงพระอาจารย์ไม่มีอะไรเหลือแล้วค่ะพระอาจารย์คล่องมากเลยเดี๋ยวจะค่อยๆสังเกตไปตลอดนะคะแล้วก็พระอาจารย์บอกว่าไม่ให้ยึดติดพระอาจารย์ดูไหมคะก็เลยกลับมาบ้านก็มานั่งสมาธิต่อลองดูว่าคือถ้าไม่มีเสียงนําก็อยากก็น่าจะทําได้เหมือนกันก็ค่อยๆฝึกไปนะพระอาจารย์ก็รู้สึกว่ามันลงได้เร็วขึ้นดีขึ้นค่ะพระอาจารย์นานขึ้นค่ะได้มันอยู่ที่สติของเรานะ แล้วเวลาออกมาก็เหมือนที่พระอาจารย์เทศใช่ไหมคะก็คือใช้ใจรักมันก็จะไม่มีอารมณ์เพราะเราก็แตะแล้วเราก็วางเราก็รักษาเนี้ยเป็นอารมณ์ของเรารักษาเอาไว้แล้วก็ให้มันสงบเงี้ยแล้วก็นั่งสมาธิสลับไปแล้วก็ดูไปเรื่อยๆดูกิเลสดูว่ามันมีอะไรแล้วเรามันเราไม่รู้สึกอะไรไปเรื่อยๆใช่ไหมค่อยๆดูไปเห็นอะไรก็พอจะเกิดความอยากขึ้นมาก็บอกว่ามันเป็นทุกข์นะสิ่งที่เราอยากนะเราก็ไม่เที่ยง เว่าทุกหรือสุข ก, ก็ไม่เอาทั้งคู่เพราะว่ามันก็มีเที่ยงทั้งคู่ใช่ไหมพระอาจารย์ก็อีแเริ่มเข้าใจพระอาจารย์ก็ไม่มีอารมณ์ก็สงบพระอาจารย์แต่ก็ปฏิบัติเยอะแล้วก็เดี๋ยวพาคุณพ่อไปสมบุร แ, แล้วก็เข้าวัดสลับกันพอจะเห็นนะฮัลโหลเฉยๆศักแต่ว่ารุ่งเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะพระอาจารย์ขอขอบคุณพระอาจารย์มากๆเลยค่ะเพราะว่าไปวัดแล้วนั่งทั้งวันแล้วฟังพระอาจารย์มันมันสังเกตได้เออแบบมันมันสังเกตดีขึ้น แล้วกลับมาบ้านก็ทําต่อนะเพราะว่าจะพยายามไม่ไม่ยึดติดอะไรทั้งสิ้นนะพระอาจารย์คือหมายถึงไม่ใช่ไม่ยึดติดอย่างนั้นคือหมายถึงว่าพยายามให้เป็นอัตถิใจเเรานาโถไม่ใช่ต้องมียึดไอ้นู่นนี่นี่อะไร่เงยใช่ไหมคะพระอาจารย์พยายามทำด้วยตัวเองพยายามอย่าไปทุกข์กับอะไรก็แล้วกันถ้าไม่ไปอยามกก็ไม่ทุกข์ถ้าอยากก็จะทุกข์ค่ะพระอาจารย์โอเคขอบคุณค่ะพระอาจารย์เดี๋ยววันศุกร์ไปค่ะพระอาจารย์วันพระอ่เรียนไปที่คุณทอบต่อ ครับน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมมีอะไรไหมยังไม่มีครับผมฟังไป่ได้ก่อนนะอืมแต่ผมขอไม่รับปากได้ไหมครับว่าจะฟังไปเรื่อยอ่าก็แล้วแต่คุณนะคุณจะรับมาจะฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้แล้วแต่ อ่เพราะเพราะว่าเพราะว่าบางทีกับผมจะขออนุญาตถามบ้างนะครับแล้วก็แล้วก็บางทีกับผมอาจจะได้กลับลาผ้าอาจารย์เพื่อไปบปรรพชาอุปสมบทครับผมอืมดีถ้าบวดได้ก็ดีพร้อมแล้วนะอืมถ้าไม่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงนะครับผมกับผมวางแผนไหมว่าประมาณ ปีพุทธศักราช2569ช่วงเข้าพรรษากับผมจะบัญประชาอุปสมบทครับผมดอเดยห้ยเป็นก ร, ระตามที่ปรารถนานะคะรับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆครับผมใบที่คุณสุพิญญาต่อคุณสุพิญญา ค, คุณน้ำเลยเปิดใบก่อนสวัสดีค่ะพระอาจารย์อ่าว่ายังไง อ๋อวันนี้ไม่มีอะไรค่ะเข้ามากับพระอาจารย์เฉยๆค่ะ อ, อีกสงบขึ้นแล้วค่ะโอเคสตินะถ้ามีสติก็คุมใจอย่าปล่อยให้คิดค่ะอตอนนี้ฟังเทศคะอาจารย์แล้วก็คิดได้ว่างก็สงบระดับหนึ่งค่ะโอเคดีพยายามทำไปเรื่อยๆมันเหมือนปลูกต้นไม้มันไม่ใช่แบบยบ ทำปุ้มได้ปับ๊บมันก็ค่อยๆเจริญไปทีละเล็กทีละน้อยใ uh huh. จเย็นๆฐ uh huh. านใจเรามีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องการเจริญเติบโตมันก็เป็นก็จะเป็นึไอ้แต่อย่างต่อเนื่องคจิจ uh huh. ก็จะสงบ ม, มากขึ้นสติก็จะไวขึ้นเราจะพยายามทําทุกคนค่ะโอเคสาทุอ่าทุกคุณฟ uh ัง huh. ว่าอะไร กลับนมัสการเจ้าค่ะไม่มีคําถามคมํามาฟังงถามเจ้าค่ะโอเคเป็นไปได้คุณหญิงเลาฟอนชวนแสงธรรมชวนสาสอกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเดยมก็ปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวนี้พอมีความคิดปุ๊บมันก็รู้ปุ๊บคิดปุ๊บรู้ปุ๊บ ร, รู้ว่าช่วงหลังนี่คิดเยอะมากพระอาจารย์เมื่อก่อนจำไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้ความคิดมันพอ มันผดแต่ก็ดีค่ะแมบบ่ได้ถือว่าการหยุดใช่ไหมคะพอเรารู้ว่าเราคิดเราก็รู้คิดแล้วมันก็หยุดแล้วเราเราจะเห็นว่าทั้งวันทําไมมันคิดเดยอะจังเลยพระารอาจารย์แบบเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็คิดแสดงว่าสติเราอ่อนใช่ไหมคะช่วงใช้เราไม่มีสติเราไม่จัดจสติไม่พุโทโธพุโทโธอยู่เลยใช่ค่ะช่วงช่วงนี้รู้ว่าพอเราเราขาดการภวนาช่วงหนึ่งอ่ะพระอาจารย์มันจะมันจะต่อค่อนข้างยากค่ะพระอาจารย์เวลาเรานั่งแล้วแบบ มันมันมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนพระอาจารย์แต่ว่าตอนนี้ทุกวันก็พยายามกลับไปเหมือนเดิมค่ะแต่ก็รู้ว่าพอทั้งวันมันรู้ความคิดตัวเองพระอาจารย์จะเห็นว่าทําไมมันคิดแป๊บหนึ่งก็คิดแป๊บหนึ่งก็คิดแต่ถ้าเมื่อก่อนนี่คือมันจะมันจะสงบค่ะพระอาจารย์มันต้องเจริญเยอะๆใช่ไหมคะพระอาจารย์กว่าจะกลับเราต้องมันเจริญพุทธเถ้พุทธเถ้ากันเรื่อยๆแล้วคอยผูกใจไว้กับการเคลื่อนไหวของร่างกาย ค่ะพระอาจารย์เหมือนที่พระอาจารย์เคยสอนพ่อมบอกเลยค่ะว่าถ้าเราถ้าเราอ่อนเมื่อไหร่พระอาจารย์มันจะต่อกับยากเลยค่ะพระาอาจารย์ค่ะกํากลังปฏิบัติด้วยพระอาจารย์เดี๋ยววันที่ทีสิบสองตอนเช้าจะไปใสบาดพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็จะเลยไปขึ้นเขาพิชกูดพระอาจารย์จากจากวัดยานไปเขาพิชกูดไกลไหมเจ้าค่ะเราก็ไม่เคยไป <laughs> มันจะมัน กำลังคิดอยู่ค่ะพระอาจารย์น่าจะต้องออกปีสามครึ่งแล้วก็ไปกะพระอาจารย์ใส่บาทแล้วถึงจะเลยไปขึ้นเขาเจ้าค่ะอันนี้เราไม่รู้เราไม่ทราบตอบให้ค่ะพระอาจารย์ด้วยใจต้องคิดแบบอยากไปใส่บาทพระอาจารย์มากเพื่อนั้ไปหาพระอาจารย์แล้วใจมีความสุขแล้วมันมีพลังพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์ยอมยอม กลับเล่าพระอาจารย์ค่อฟังเรื่องหนึ่งเจา้าค่ะตอนที่โยมเคยกลับเรียนพระอาจารย์ว่าโ ย, ยมจะล้มแล้วโยมเห็นตัวเองที่เป็น ต, ต, ตุตุตุตุแบบมันเป็นเหมือนกับจุดไข่ปลาแล้วแล้วก้นก็ ติดกับพื้นคือเบามากพระอาจารย์ก็ยัง ง, งว่าตัวเองทำไมตัเองล้มแล้วเราไม่พร้อมรู้สึกเจ็บใช่ไหมคะแล้ววันนั้นไปใส่บาตพระจานทร์แล้วไปไปตลาดอะพอดีกะว่าจะเดินไปซื้อของใส่บาตรพระจานทร์เพิ่มใช่ไหมคะแล้วพอเราเดินไปก็มีมีคุณป้าค่ะเขาก็บอกหนูหนูมามาม า, มาเอาจากอักรยานป้าไปห น, หนูหนูจะเดินทําไมใช่ไหมคะโยมก็ไปเอาจากอักรยานมาถีบอะคะพระอาจาร์แล้วปรากฏว่าพอถีบไปสักพักหนึง่งเอ่อแล้วไปแตะเบรกพอแตะเบรกพระจานทร์มันก็ คือจักรยานของป้าเขาน่าจะเบรกหน้าเสียพระอาจารย์พอโยมแตะเบรกปุ๊บโยมก็ล้มเลยพันคือมันกริ่งอะค่ะพระอาจารย์พอกริ่งปุ๊บโยมก็พยายามเป็นนึกให้เหมือนตอนที่เราล้มตอนเป็นจุดไข่ปลาที่ที่ล้มสโล่ะค่ะพระอาจารย์มันมันมันล้มตุ้มแล้วก็เจ็บเลยพระอาจารย์เจ็บมากเลยจ้ากลางกลางตลาดเลยพระอาจารย์ตอนตอนเช้าเอจักรยานเขาจักรยานคุณป้าเขาเสีย ของของหน้ารถก็กระจายเลยพ่อจ่าแล้วจมก็เลยเออรีบรี บ, ร, บรีบมาอันนี้คือคือการที่เราเห็นเป็นชโล่ะค่ะมันจะเป็นเฉพาะบางโอกาสใช่ไหมเจ้าคะสะติตรนดีเราสติเราไวมันก็เห็นสิ่งให้การเกิดขึ้นมันช้าลงใช่ค่ะพ่อจ่าแล้วล้มไม่เจ็บด้วยเจ้าค่ะล<อ>้มแบบล้มแบบ เบามากพ่อโยมยังยังตกใจเลยทำไมเราล้มดีจังก็ถามพี่เลี้ยงที่เขายืนอยู่ข้างๆค่ะถามว่าเมื่อกี้เห็นซอสล้มแบบไหนล้มแบบแรงลงไปเลยหรือว่าค่อยๆล้มลูกน้องบอกว่าเห็นซอสต้นแบบลื่นกระแทกเลยแต่ความรู้สึกเราพ่อจย์มันมันเป็นจุดไขป่ปลาแล้วก็สโลแล้วก้นแตะพื้นอย่างเบาแล้วไม่เจ็ตเลยใช่ไหมะอันนั้นช่วงนั้นโยมฝึกสติค่อนข้างเยอะมากมากพ่อจันแต่ตอนนี้มันเบาลงตั้งแต่ตอนที่โยมมามาทําบ้านนะคะแล้วก็ทําบ้าน แล้วก็เ mm hmm. ลยห่ังจากการภาวนาไปเดี๋ยวโยมจะกลับเริ่มต้นใหม่อีกทั้งมค่ะพระอาจารย์ต้องต้องหนักๆเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์มันถึงจะกลับไปเหมือนเดิมก็ต้องทําว่ากๆอ่ะจะว่าหนักหรือไม่หนักก็ไม่รู้นะต้องตลอดเวลาพยายามทาให้มากทําให้บ่อยค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็จะกลับมาตอนเช้าก็เหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์มันอยู่ช่วงหนึ่งพอพอเราปล่อยให้กิเลสนะคะพระอาจารย์มันมันมาตั้งแต่แบบคือแบบ อ, อ๋อเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้า พอตั้งแต่นั้นมากิเลสมันจะเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าตลอดแล้วถ้าเราแพ้พระอาจารย์พอเราแพ้กิเลสความขี้เกียจอะพระอาจารย์มันมันก็จะแบบมันก็จะแบบอ่าเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวก่อนหนะ้าพระอาจารย์แต่ตอนนี้จะกลับไปเหมือนเดิมแล้วเจ้าค่ะค่ะกลับคำทักทูลพระอาจารย์ค่ะอ่ะข า, าขอาจนไปที่คุณตายคุณตา ย, ตายพระติยานาเกลือน้องกลับนมัสการครับพระอาจารย์ เปยังไงหาอะไรไหมไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าไม่ได้มาหาพระอาจารย์หลายวันแล้วจ่าไม่ไร้รลอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีธรรมะก็ถือว่าถูกต้องแล้วดีแล้วแล้วค่ะก็ไม่ได้สินห้าก็ไม่ค่อยได้หลุดอะค่ะพระอาจารย์แต่สินแปดนี่ก็ไม่ค่อยได้ถือเท่าไหร่ช่วงนี้เพราะว่าโมแต่ไปเที่ยวกับที่บริษัทที่เขาพาไปออะไร ติดตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเที่ยวให้เที่ยวให้พอแป๊หนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าเข้าวงจอดหม่อยก็จะมาไม่พอหรอกเช่เดี๋ยวเมื่อกี้มีเรื่องมีใครมาชวนเที่ยวอีกมันก็ไปอย่างไงี้ยมันปีละสองครั้งของอาจารย์เราต้องต้องกําหนดเวลาไว้น ะ, ะห้ามเกินนะสองครั้งพอแล้วนะอ่ะอันนี้ไปจีนมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวพอกลับมาแล้วเดี๋ยวเข้าวงจรเดิมค่ะพระอาจารย์สองครั้งปีนี้ค่ะหม ด, หมดนะคะหมดนะคะใครมาชวนไปก็ไม่ไปแล้วนะคะใค้ตัวฟีก็ไม่ไปนะใช่ค่ะไม่ไปแล้วคะ่ะสัญญาแล้วคะ่ะบ๊อาจาย์ให้คนอื่นเข้าไปอ๋อค่ะพระอาจารย์ไม่เดือเสียดายว่าตัวฟี <c oughs> ไอ้ทีนก็ว่าเสียดายตั๋วฟนีนะคะรับจใจไม่เสียดายนะไม่เสียดายใจเลยเสียดายตั๋วมากกว่า พระอาจารย์เหมือนรู้เลยใครใครจะรับความทุกข์กับเขาใจนของเราเนี่ยที่ต้องรับความแบกความทุกข์ต่อไปค่ะแต่ก็ขอสองครั้งครัพระอาจารย์ปีหนึ่งโอเคค่ะค่ะค่ะคุณชานี่แบงค์ค็ยังยังถือสินแปดเยอะเปล่าถามนามสการพระอาจารย์พระอาจารย์ถามเหมือนรู้เลยค่ะ สีนลดไปเอ่อช่วงนี้ลดไปข้อนึงค่ะพระอาจารย์เอ่อข้อนอนข้อนอ น, ข, อ น, อนข้อนอนที่สูงะครับอดีว่าเจอข้อสอบค่ะพระอาจารย์ปวดหลังล้าวลงขาไปไปตรวจเพราะว่าเป็นหมอนรองกระดูกเบียดเส้นประสาดอะคะอ่ะก็เลยก็เลยขอลดสีนข้อหนึ่งก่อนแล้วก็ถ้าถ้าสมมว่าดีขึ้นหรือว่าโอเคแล้วก็จะกลับไปถือใหม่ค่ะ แต่ว่าแล้วปวยกันแล้วไปแล้วก็แต่วันนี้ก็กิเลสเล่นงานค่ะทําศีลข้อข้อกินข้าวไม่เกินเวลาที่กําหนดก็เกินมานิดนึงค่ะเพราะว่าเสียดายคํานวณเวลาผิดค่ะ <c oughs> แล้วแบบอาหารมาแล้วแต่ว่ากินไม่ทันก็เลยเสียดายก็ก็เลยเวลาไปนิดนึงค่ะพระอาจารย์ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าที่ฝึกสติตามที่พระอาจารย์บอกค่ะคือ รู้สึกว่าสติมีความสำคัญมากจริงๆค่ะคือวันที่มีอาการที่ปวดเอ่อปวดที่หมอนรองกระดูกเบี่ยดเส้นปราาาาะสาทนะคะมันปวดแบบปวดมากระดับเจ็ดแปดเลยค่ะแต่ว่าตอนนั้นคือเหมือนสติเดียค่ะก็คือรู้รู้ถึงความปวดแล้วก็นึกว่ากายกับเวทนาแล้วก็ใจเป็นคนละส่วนกัน ก็คือดูที่ใจใจนิ่งสงบไม่ไม่ไม่กลัวไม่กลัวความปวดไม่ไม่ไม่ไม่มีความอยากให้ความปวดหายไปค่ะรู้เฉยเฉยแต่ว่าความปวดก็คือยังยังก็คือปวดเท่าเดิมนะคะแต่ว่าใจไม่ทุกเลยค่ะตอนนั้นปวดแต่กายใจไม่ไม่ปวดด้วยใช่ค่ะมหาจรรย์มากค่ะพระอาจารย์เราสามารถแยกกายแยกใจออกจากกันได้ด้วยสติด้วยปัญญา ใช่ค่ะอาจารย์ปกติจะต้องแบบนั่งสมาธิแต่ว่ารอบนี้คือเหมือนน่าจะฝึกสติมาหลายวันแล้วสติค่อนข้างโอเคค่ะก็เลยสามารถแยกได้แล้วหลังจากนั้นก็เลยไปนั่งไปลองนั่งสมาธิดูค่ะคือปวดมากแต่ก็คิดว่าอยากลองนั่งสมาธิดูพอนั่งสมาธิสักคู่หนึ่งก็อาการปรวดก็ดีขึ้นเลยค่ะจากเจ็ดแปดก็เหลือประมาณหนึ่งสองประมาณนี้แหละค่ะอืดี ธรรมะโ อ, อสถเนี่ยเฝึกต่อไปค่ะทรรโอสถของพระพุทธเจ้า น, นี่มันช่วยทําให้ใจเราไม่ทุกข์แล้วอาจจะช่วยบรรเทาความเจ็บของร่างกาย ใ, ให้เบาบางลงได้ด้วยค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็ไปหาหมออยู่แต่ก็ก็ดูอยู่ค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีความทุกข์กับอาการที่เป็นมากค่ะก็ให้เป็นไปตามตามสภาพตามนั้นค่ะ ยารักษาได้ก็รักษาไปไม่ห้ามยารักษาไม่ได้ก็ทำใจอยู่กับมันไปค่ะพระอาจารย์แล้วก็จะพยายามปฏิบัติต่อไปแล้วก็จะเข้มข้นเรื่องศีลมากขึ้นค่ะจะตั้งใจว่าจะเข้มข้นเรื่องการรับประทานอาหารมากขึ้นเพราะว่าเหมือนถือศีลแปดก็จริงแต่ก็เวลาทานก็ยังรู้อยู่ว่าทานด้วยกิเลสอยู่ค่ะพระอาจารย์ทานด้วยความอยาก เปนึกถึงอาหารเวลามันเข้าไปในปากในท้องแล้วหน้าตามันเป็นยังไงค่ะแอาจารย์จะทําแบบครูบาอาจารย์ที่บอกว่าถ้าไม่ถ้ารู้สึกอร่อยก็ให้คลายออกใช่ไหมคะหนูว่าหนูไม่ได้กินสักคำเลยอาจารย์น่าจะไม่ได้กินสักคำเลยอร่อยทุกคําเลยค่ะก็ดูหน้าดูตามันก่อนเลยหน้าตามันเป็นงไงของอร่อยเแล้วอยู่ในป่าว่าใช่ค่ะวันนี้แบบไปกิน วันนี้ก็กิเลสละไปกินขนมมาค่ะตอนอออกินขนมแล้วก็รู้สึกว่าคือมันรู้สึกว่าแบบอร่อยมากอร่อยมากแล้วก็แต่ในความรู้สึกอร่อยมากก็รู้สึกรู้สึกเศร้าเสียใจขึ้นมาแบบเหมือนมันซ้อนกั น, นะค่ะว่าเอ๊ะทำไมเรายังยึดติดกับความอร่อยขนาดนี้อย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนธรรมะ ก, กับกิเลสสู้กันลองคลุกมันดูเลยน้นหมดที่จะกินเนี้ย เนี่ย็ามาคุกกันของค้าของหวานผลไม้ขนมอะไรคุกกันไปนะอาหารจานเดียวเลยค่ะพระอาจารย์จะจะลองจะลองดูที่เขาเรียกว่าเป็นข้าวสุนัเข้ามาเนี่ยค่ะพระอาจารย์จะพยายามปึกลดความอยากตรงนี้ลงให้ได้ค่ะมันจะได้ไม่เลือกที่มันจะได้ไม่เลือกกินอาหารต้องกินอย่างนั้นกินอย่างนี้เป็นเรื่องอะไรก็ามารวม ก, กันให้หมดเลยเป็นอาหารจานเดียว ครับอาจารย์จะนำไปลองดูลองดูซักมื้อหนึงนะเป็นยังไงใส่ชามใหญ่ๆทัใบคนมันคคกวนเอาต้องเอาขนมผสมไปด้วยใช่ไหมคะทุกอย่างเลยขนมนมเนยเค้กโคกเค้กะที่เราจะเข้าไปในท้องเนี่ะที่เราจะกินในมื้อนั้น ยกเวนน้ำได้น้ำเราก็จะเดินต่าหากก็ได้หร้อจะใส่เข้าไปด้วยก็ได้จะได้เป็นโจ๊กเป็นข้าวต้มไ <c oughs> ปเลยก็ได้ <c oughs> เนี๋ยวจะลองเอาไปปฏิบัติ ด, ดูค่ะพระอาจารย์ดี๋ยนดีไม่ดีมันก็กลับอร่อยขึ้นมาก็ได้อีกนะ็ได้กับอร่อยอีกอร่อยได้ทุกอย่างอร่อยทุกอย่าง ก็ไม่เป็นไรให้มันเราอาร่อยแบบนี้ก็ยังโอเคดีกว่าอาร่อยแบบจุ้จี้จุกจิกแบบต้องต้องแยกต้องแยกกันต้องกินอันนี้ก่อนต้องกินอันนั่นก่อนที น, นี้ามาัน <า S 1> รวมไปเลยเป็นเป็นอาหารจานเดียวมื้อเดียวอย่างเดียวแต่ลองเอาไปปฏิบัติดูค่ะดูท้าทายนะนนการท้าทายกิเลสได้ค่ะแล้วก็อาจจะลด ต่อไปอาจจะลดตอนนี้คือหนูยังกินสองมืออยู่เพราะว่าทำงานแต่ว่าต่อไปก็อาจจะลองเหลือมือหนึ่งว่าว่าใช้ว่าโอเคร่างกายโอเคหรือเปล่าดีลดได้ก็ดีถ้านานี้น้น้ำน้หนักก็มากอยู่แล้วก็ดีจะได้ลดน้ำหนักไดตัวขอบคุณอาจารย์โอเคไม่มีคำถามอื่นค่ะ okay. ยินดีด้วยในการปฏิบัติ นะขอบคุณค่ะพะอาจารย์อย่าชะล่าใจรีบทำเสียเวลาเราน้อยลงไปทุกวันอย่าใช่ยิ่งมาเจอโรคนี้ก็รู้สึกเลยอายุหนูยังไม่ถึงสี่สิบก็เริ่มเสื่อมแล้วค่ะพอาจารย์ต้องรีบแล้วอืมโอเคดีขอบคุณพะอาจารย์อย่าประมาทค่ะคุณลูกตาคุณแม่เป็นยังไงสุขสบายดีแม่ลูกธรรมศส ก, การค่พระอาจารย์ค่ะ สบายดีค่ะพระอาจารย์ออยู่ด้วยกันมีความสุขไหมอ๋ามีค่ะพระอาจารย์ค่ะก็อยู่แบบเพื่อนกันนะคะพระอาจารย์โยงก็ไม่หนูก็ไม่ได้ลงไปลงลงไปในชีวิตของเขามากอะค่ะก็ก็ทําตัวเหมือนที่พระอาจารย์สอนนะคะเขโตแล้วเขาโตแล้วชีวิตของเขามีชีวิตของอของหนูนะคะ่ะแล้วหนูก็ก็เล่งความเพียรเพราะเวลามันเหลือ น, น้อยแล้วะะอะค่ะเอืมค่ะ พยายามสร้างที่พึ่งทางใจให้ได้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เกิดก่อนที่มันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายนะตอนนี้ก็เจ็บทางใจตอนนี้ก็เจ็บแล้วเหมือนกันนะคะพระอาจารย์อืสังขารก็ร่วงโรยไปเยอะแล้วว่าค่ะก็ได้มาฟังคําสอนของพระอาจารย์นะคะได้นํา ม, มาปรับใช้ชีวิตของตัวเองของลูกเมื่อก่อนห่วงเขาเยอะเดี๋ยวนี้ก็วางไปได้เยอะแล้วะคะ่ะอืม อย่าไปทุกขกับใครทุกไปก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเขาจะเป็นอะไรเขาก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะไปกราบพระอาจารย์ที่ธรรมะนากุติด้ค่ะอาจยค่ ะ, ะ, ะถ้าพระอาจารย์ไปที่คุณสาลรการครยนาะอ่าปฏิปัิอยู่คะมาฟังธรรมพรบอาจารย์โอเคองั้นงี้ไปต่อเลยนะ คุณแดนคุณดอนน้อมกราบนมัสการนะคะอาจารย์ลูกมีคำถามนะคะโอเคคุณนิสาเอ <LA. S 3> น้อมกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ก็สําหรับลูกอาทิตย์ที่ผ่านมาเหมือนกับมีช่วงที่เวลานั่งสมาธิแล้วเออ่ตอนที่แบบลมมันจะแบบเบามากๆค่ะพระอาจารย์ ทีมันก็จะแบบรู้สึกแบบเบาแล้วก็นิ่งสงบเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ที่ที่ผ่านมามันเหมือนกับมันเหมือนกับลมมันอ่อนแล้วก็รู้สึกว่าลุมันเหมือนมันติดมันไปหาลมเข้าอะค่ะพระอาจารย์มันมันหายตรมเข้าแต่ว่ารู้ลมออกอะค่ะพระอาจารย์มันจะไปหามันก็ดูเฉยๆไปมันหายก็รั่วมันหายไปอือคือให้ลูกต่ออ่อนที่ว่าอาจารย์ กล่าวมันอกี่ว่าให้รู้เห็นตามความเป็นจริงใช่ไหมคะใช่แล้วมันต้องการควบคุมรลมมันต้องการควบคุมจิตให้จิตรู้เฉยเฉค่ะมันเหมือนจิตมันสู้อยู่อะค่ะอาจารย์พยายามหยุดมันอย่าไปให้มันทําอะไรมันจะได้นิ่งมันจะได้สงบก็แค่แค่รู้สึกว่าก็ปล่อยมันหนึ่งดีใช่ไหมคะก็รู้ตอนนี้ลงเข้ามองไม่เห็นก็รู้ว่า รู้แต่ลมาอกก็ดูไปเรื่อยๆตามความเป็นจริงอืมค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองดูค่ะพระอาจารย์บางทีมันพอมันคิดแบบนี้มันเหมือนกับเหมือนกับจิตมันมันจะออกแบบมันจะหลุดนะคะพระอาจารย์หมายถึงว่ามันจะไม่นิ่งนะคะพระอาจารย์แือว่าก็คือก็รู้สึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะลมมันก็จะมันไม่นิ่งเพราะเราไปเราไปควานหาลมเอง ถ้าเราไม่เปิความอะลมเลยู้เฉยๆเดี๋ยวมันก็นื่องค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองลองปรับดูค่ะพระอาจารย์อืมก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็ปฏิบัติอยู่ค่ะทําทุกวันนะค่ะทําทุกวันค่ะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นค่ะพระอาจารย์ตอนเช้าถ้าตอนเช้านี้จะดีที่สุดค่ะพระอาจารย์อืมกางวันนี้ไม่ทําไม่ได้เลยนะกล้งวันก็เป็นบางวันค่ะพระอาจารย์กลางวันบางทีอาจจะแค่แบบมา นั่งสองสามชั่วโมงคือแบบไม่ได้สมานั่งสมาธิบ้างแต่ว่านั่งอยู่เฉยๆนะค่ะพระอาจารย์แต่สมาธิเหมือนกับมันมันไม่ค่อยมันสู้ตอนกัเช้าไม่ได้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็นั่งได้ดีกว่านะดีกว่าไม่นั่งค่ะขอบพระอาจารย์โอเคค่ะไม่มีคํราถามแล้ว่ะพระอาจารย์น้อมน ำ, นำปฏิบัติสู้ต่อไปค่ะพระอาจารย์โอเคมันยินดี อินดีต่อสวัสดีคะ่ะท่าอาจารย์ลูกไม่มีคําถามค่ะเข้ามากราบค่ะแล้วก็เดวิดส่งข้อความมาเหมือนเดิมค่ะฝากกราบท่านอาจารย์แล้วก็ระลึกถึงคะ่ะท่านอาจารย์ะ okay, แล้วก็บอนท <ขอ S 2> ่องเต็มเหมือนเดิ ม, ม, ดมคะ่ะท่านอาจารย์ขอบคุณนะค่ะขอบพระคุณพระญางสูงคะ่ะท่านอาจารย์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกไปค่ะค่ะ<อ>ได้มาทำบุญทุกวันในะช่วงนี้ก็ โคยค่ะโคยบุญกับท่านอาจารย์ไปก่อนค่ะท่านอาจารย์<น>ค่ะพอ<น>ดีวันนี้วันนี้ลูกไม่ได้ไปเพราะว่าก็ตามหน้าที่อะค่ะท่านอาจารย์พอดีมันเป็นชุมหงอะค่ะท่านอาจารย์ก็ซ้ำนะคะแต่ก็ไปทําหน้าที่แล้วก็เพราะว่าน้องก็ทําอยู่อ่ะค่ะก็เลยก็เลยทำนะคะมันก็ดี<น>สําหรับเป็นการที่แรกลูกก็เข้าใจว่า จะไม่ไว่ายแต่ก็คือบรรพุทธธรรมมาแล้วเราก็ไม่ เ, เสียหายทาไหนว่าว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่ายได้ค่ะลูกก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เราทําให้ทําให้เขาเห็นแล้วก็ให้เขาดําเนินต่อไปมันก็เหมือนกับความกระตันยูอย่างหนึ่งนะคะ่ะก็ลูกก็เลยค่ะท่าอาจารย์ก็ตามหน้าที่ค่ะค่ะขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ ะ, ค, ะคุณสันลินจอนมาริแลนด์ ยังไงทํางานที่บ้านเหมือนเดิม่พระอาจารย์วันนี้หนูก็ทํางานที่บ้านเหมือนเดิมค่ะนำมาสกลนำมสการพระอาจารย์ก่อนค่ะเดี๋ยวนี้ทําทุกวันหรือว่าเฉพาะบางวันคือคื อ, คอจริ ง, รงๆแล้วมันควรจะไปออฟฟิศอะค่ะแต่ว่าที่บริษัทหนูเขาเขากําลังซ่อมอะค่ ะ, ะเขาก็เลยอนุานให้พนักงานทํางานที่บ้านก่อนตอนแรกอาทิตย์นี้ก็ต้องกลับไปอะค่ะแล้วหนูเขียนไปอีเมลไปถามเขาเมื่อวานนี้เขาตอบกลับมาว่าอีกสองอาทิตย์ หนูก็เลยยิ่งสบายค่ะพอาจารย์นำเกี่ยวอะไรบริษัทบริษัทเป็นนำเข้าอาหารค่ะจากยุโรปแล้วก็อตอนแรกเขามาจากกรีกอิตาลีอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ขยายไปเรื่อยๆทั่วๆแล้วค่ะตอนนี้ก็แห้งอาหารกระป๋องพวกนี้นะเน่ยค่ะทุกอย่างทุกอย่างเลยแบบตอนนี้เขาก็ทำเป็นทั้งไม่ว่าจะเป็นซีฟู้ดเป็นพวกผักด้วยแล้วก็ชีส เนยนมกระหันกระป๋องทุกชาติเลยค่ะแล้วก็ส่งให้กับอพวกฟู้ดเซอริสอะค่ะพวกมันก็เป็นอโรงพยาบาลบ้างเป็นร้านอาหารบ้างหรือว่าเป็นสนามบินบ้างอย่างเงี้ยค่ะค่ะโรงเรียนบ้างอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะหนูก็เป็นไบเออร์อะค่ะนําอาหารเข้ามาอินพุตเตอร์เข้ามาค่ะค่ะก็บางบ้างก็ซื้อมาจากของเอเชียก็มีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ บางส่วนก็บางนนส่วนก็สุตอนนี้ยังไม่โดนทารฟฟ์ขึ้นใช่ยังตอนแรกขึ้นตอนแรกว่าจะขึ้นต้นเดือนเมษาเอ้อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ เ, เขาเขาเลื่อนไปอีกเดือนหนึ่งขึ้นกี่ขึ้นขี่เปอร์เซ็นต์อ่ะไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่าเห็นบอกว่ามีบริษัทหนึ่งเขาส่งข้อมูลมาให้หนูเขาบอกว่าเขาต้องขอเขาขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเขาก็เลยทาริฟฟ์ยี่สิ้าเปอร์เซ็นจากอ่าเม็กซิโก ซือไออะไรนะคะพิกพิกโกอะค่ะเขาบอกว่าของนี่มันไม่มีเขาต้องไปนำเข้ามาจากเม็กซิโกแล้วเขาจะโดนชาทีี่ห้าเปอร์เซ็นตเขาก็เลยมาขอขึ้นสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นที่หนูแต่พอถึงวันจริงแล้วมันก็เป็นพอวันต้นเดือนที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าเขาขอเลื่อนไปอีกเดือนหนึ่งก็รอต้นเดือนเมษาว่าค่าของชีพจะสูงอีกมากขึ้นอีกไหนมันก็กระทบ ก, กันหมดอืมค่ะ คือของเขาขานี่ยจะแพงขึ้นขายขอเราจะแพงขึ้นนะ่ะเพราะว่ามันสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเวียนกลับมาบริโภคกันในตลาดนี้อยู่ดีอะค่ะหนูส่งไปขายตามร้านอาหารเขาก็ต้องกลับมาชาร์จกับลูกค้าเหมือนเดิมค่า<ห>ของใช้ให้ไคนใจ25เปอร์เนเนี่ยใหที่เพิ่มเนี่ย25เปอร์เซ็นภาษีก็คือคนที่เป็นคนผู้นำเข้าโดยตรงเป็นคนเสียแต่หนูเขาเนี่ยเขาก็ขึ้นหนูอีกเนี่ยค่ะ แต่ที่ผ่านมาเขาขอขึ้นแค่ 12.5% แล้วก็เดี๋ยวรอดูค่ะเพราะว่าเาบอกว่ามันเลื่อนไปอีกเดือนหนึ่งแคนาดากับเม็กซิโกลเลื่อนไปอีกเดือนหนึ่งเราต้องจ่ายเงินเพิ่มเวลาซื้อของมู่ี้ค่ะมันบังคับนะคะมัน เ, เป็นภาษีอืมไอ้ส่วนต่างนี่ก็เข้ากระเป๋ารัฐบาลไปเงไงค่ะเป็นภาษีไหมภาษีนำเข้าใ ช, ใช่ค่ะ แล้วก็ผู้บริโภคก็ต้องเป็นคนรับภาละค่ะเราเราเพิ่มราคาแล้วก็ต้องขายคนที่ซื้อต่อใช่เราค่ะพี่เรก็เพิ่มขึ้นยี่สิบ้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันใช่ค่ะในที่สุดคนที่จ่ายงั้นก็คือคนผู้บริโภคใช่ค่ะเสร็จแล้วรัฐบาลก็จะพยายามเอาเงินมาส่งเอาเงินมาช่วยแล้วก็มันก็มันก็อยู่แค่นี้แล้วค่ะวนไปวันมาหนูก็ไม่ทราบว่าเขาทําอะไรกันเหมือนกันค่ะเหมือนเล่นเล่นละครนะคะ ใช่ค่ะว่าใครจะได้เป็นผู้มีอำนาจอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่สุดท้ายแล้วเราเราก็เป็นแค่ประชาชนเราก็ดูแล้วเราก็งงๆว่าเขาทำอะไรกันก็ก็อยู่กันไปเอาอันนี้จังตาอย่าอย่าไปทุกขกับมันอย่าไทุกข์กับมันแต่สงสารพวกคนที่ต้องตกงานนายเขาอแบบแบบรานาเอาเลยใช่ค่ะคือมันบางทีดูหนูดูแล้วก็มันไม่มีเหตุผล พนัก ง, งานคนรัฐบาลควรจะทํางานแต่กลายเป็นว่าเอาเขาออกหมดมแล้วอย่างเพื่อนหนูที่เขาเป็นครูเนี่ยเขาก็ถูกตัดบัตเจ็ตมานานแล้วตั้งแต่ก่อนรัฐบาลนี้แล้วเขาจ่ายพวกค่าสมุดหนังสือปากกาเงี้ยเขาก็ต้องจ่ายเองแล้วก็<ม>ไปเคลียร์เอาว่าเราเป็นคนจ่ายในฐานะที่เป็นครูมันก็เนี่ยมันยากอะคะ่ะอาจารย์อ เข า, ต, ต, าต้องการประหยัดรายจาย่ายที่เขาตัดนี่เขาว่าต้องการตัดงินประมาณให้ใหได้พิเศษให้มันน้อยลงเพราะตอนนี้เป็นหนี้เยอะใช่ค่ะเพื่อนหนูก็ร้อนๆอนหนาวหนาวพวกที่ทํางานเป็นคอนแท็กกับรัฐบาลเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะจะมีงานให้ทำหรือเปล่าไม่ว่าจะดันแลกและกับอาารยตรงงานตรงงานเป็นทอดๆไปเลยนะ ตอนแรกหนูคิดว่าหนูทํางานหนักทํางานกลางคืนกังข้างค่ำคืนนี่เมันไม่เสร็จตอนนี้หนูเริ่มแบบโอ้สบายใจเราอย่างน้อยเราทํางานในสายงานที่ทุกคนต้องกินอาหารเออก็อาจจะมันเกี่ยวปัจัยเสียดีสมันคบ <c oughs> ไม่ได้มันตัดไม่ได้ค่ะอ <c oughs> า, าจารย์ค่ะพอาจารย์ก็ประมาณเนี้ยค่ะคะ่ะวันนี้ <Okay. S 1> หนูก็ ไม่มีคําถามอะไรค่ะพระอาจารย์ก็มองว่าเป็นมันมองมันเป็นธรรมะไปแล้วกันนิจังทุกข์ขันธ์ตาไปมันทําอะไรไม่ได้จริงๆค่ะมันก็ต้องค่ะถ้าทำได้มันจะขึ้นก็ขึ้นมันจะลงก็ลงเราก็ปรับตัวเราไปให้เข้ากับมันก็แล้วกันอย่าไปทุกข์กับมันค่ะยอมหยุดเย็นค่ะพระอาจารย์ดีแต่ว่าเราได้ก็โอเคเราอาจจะไม่มีอะไรกินก็นั่งสมาธิไปทานก็แล้วไม่มีอะไรกิน รพระเจ้าเหมืนข้าเริ่มค่ะสี่สิบเก้าวันนะค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะก็จะเริ่มต้นนี้หนูต้องนั่งทั้งวันทั้งคืนนะอาจารย <c oughs> ใช่ถ้าหิวเมื่อไหร่ก็นั่งสมาธิทันทีใช่ค่ะใช้ปีติเป็นอารมณ์ <c oughs> ใช้สมาธิใช้อเวคาเป็นอารมณ์ค่ะมาอาจารย์ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะค ะ, าะาคสาธุอาจารย์ลูกสาวเชิญยังไงลูกสาว นวัตกรรมค่ะพระอาจารย์ลูกก็เข้าห้องไปแล้วค่ะอืดีขึ้นค่ะโดยรวมก็ดีขึ้นค่ะอืเดินทุกวันค่ะสภาพต่างๆก็ดีค่ะอาจารย์เป็นทุกอย่างผลเอาแล้วอย่างก็ก็ดีค่ะผลตรวจออกมาแล้วค่ะอืสําหรับโยมก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเย็นดีค่ะอาจารย์เย็นกายเย็นใจอย่างที่อาจารย์พูดค่ะรู้สึกว่าทุกอย่างมันแน่นดีค่ะจ ถ้าใจมันเย็นแล้วทุกอย่างมันก็ดีถ้าใจไม่เย็นใจไม่ดีแล้วทุกอย่างมันก็ไม่ดีเหมนตางไปด้วยใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานนะครูเจ้าบอกการรักษาใจให้ดีแล้วทุกอย่างมันก็จะดีเองถึงเมื่อมันจะไม่ดีแต่ใจมันก็ดีมันก็ไม่มันก็ไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆที่ดีหรือไม่ดีมันมันรู้สึกว่ามันเย็นค่ะอาจารย์แล้วฟังธรรมะอาจารย์เมื่อวันพระที่ผ่านมาค่ะการดับทุกข์ ก็เออนะมันมันสอดคล้องกันไปหมดแล้วพอมาฟังวันเสาร์อาทิตย์เรื่องของอะไรนะคะมีสิเลยใช่ใช่ค่ะก็ยิ่งรู้สึกยิ่งโล่งเข้าไปใหญ่ค่ะจย์วันนี้ก็คือทำงานไปก็มันมีความรู้สึกลึกๆว่ามีความสุขลึกๆค่ะจั์นังสมาธิมันอาจจะไม่รวมกันมันอยู่บนเขาแต่รู้สึกว่ามันหนักแน่นค่ะใจมันแน่นค่ะก็ก็ค่ะ ทำใจให้เป็นเหมือนหินนไม่วันไหวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะมักจะมีคำพูดของอาจารย์จุดขึ้นเสมอบอกว่าคนปฏิบัติธรรมก็ต้องเป็นสันทิติโกเย็นกายเย็นใจก็พอเขารู้สึกมันมีกำลังใจค่ะอาจารย์รู้สึกดีค่ะมันก็สบายใจค่ะอาจารย์ นั่นแหละสำคัญที่จะที่ปฏิบัติเนี่ครับเพื่อให้มันสบายใจนะฮะค่ะรับสบายใจแล้วก็ปัญหาต่างๆก็จบมันมันมันไม่รู้สึกไม่ไม่เป็นกังวลกับอะไรที่อยางมันเหมือนกับมันปดล็อกอะค่ะอาจารย์ไม่เข้าใจมันปล่อยวางยอมรับกับความจริงอนนี้จังไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายในน้ำลมไฟไม่มีตัวตนไม่มีใครตายไม่มีใครเกิด มีมีพี่คนหนึ่งเขามาปรับทุกข์กระโยนปกติเขาจะขึ้นไปเขาชีโอนบ่อยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือพี่ก็ต้องดูแลสามีที่ป่วยเขาบอกเขากลัวเหลือเกินที่จะทําไม่ได้เหมือนเดิมโยมบอกว่าไม่จริงหรอกพี่ลองหลับตาดูแล้วพี่จะรู้สึกความหนักแน่นของใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทุกข์กับพี่ลองดูให้เป็นธรรมะให้ดีแกก็แล้วโยมแชร์ที่พระอาจารย์สนทนากับพระรูปหนึ่งที่น่ากุฏิอะค่ะที่ว่าอาวิชชาทำลายเอ้ทําลายอาวิช แบบนี้ค่ะแกก็เลยรู้สึกมีกําลังใจค่ะอาจารย์ยมเข้าใจถูกใช่ไหมคะวัดีเสียงวันหายไปนม่พูดคุดยเคือยมยมดูจากธรรมะของอาจารย์นาคุติอ่ะค่ะที่อาจารย์สนทนากับพระรูปหนึ่งค่ะที่ว่าทําลายอาวิชชาค่ะที่มันจะนิ่งก็ให้มันนิ่งให้มันรู้ไปอ่ะค่ะย ม, มแชร์อันนั้นให้พี่เขาแล้วพี่ก็รู้สึกแบบมีกําลังใจขึ้นค่ะอาจารย์ไ ด, ได้ยินได้ยินชัดเจนค่ะ ฟังตรงนี้ก็คือเป็นดรมณมันยังมีขึ้นขึ้นนองน อ, งอยู่ใช่ ใ, <ห>ใช่ใช่รู้ทันมานนะอย่าไปทุกข์กับมันใช่ค่ะคือโ mm hmm. ย, ยมอ่านตรงนั้นพอดีฟังตรงนั้นพอดีแล้วพี่เขาทักมาในไลน์โยมก็เลยแชร์ไปแล้วก็รู้สึกว่าเออนะมันพอเราจับตรงนี้ได้อะเราไม่ทุกข์เลยค่ะอาจารย์มันรู้สึกดี mm hmm. เย็นเย็นใจอย่างที่บอกอะค่ะ mm hmm. ไม่กังวลไม่ฟุ้งซ่านอยู่กับมันอยู่ตอนนี้พยายามอยู่กับงานอยู่กับพุโทโธแล้วบางทีมันไป มันไปกับเพลงก็กลับมาพุโทโธใหม่คือก็อยู่อยู่พยายามดึงมันมาอย่างเนี้ยค่ะอาจารย์ mm hmm. ก็ก็ได้อยู่ค่ะเพียงแต่อาจจะไม่ดีมันอยู่บนเขาเท่านั้นเองค่ะ mm hmm. แต่ก็ป็อย่ปยึดติกับที่ที่เรายัางใช่ค่ะก็นี่คือพยายา ม, มพยายามอยู่กับมันค่ะอยู่พยายมอยู่กับอยู่กับทุกมันทุกแห่งทุกคนนะค่ะอาจารย์บอกว่า กายอยู่ที่ไหนให้ใจอยู่ที่นั่นยมฟังค่ะจมกับเอเอไหนใจอยู่ที่นั่นค่ะอ่านะผูกใจไว้ค่ะมันท่ะ ม, ม, มาฟังซูมแล้วมันมีกําลังใจค่ะอาจารย์ฟังทำแล้วมีกําลังใจค่ะยูของคุณพาาระอาจารย์นะคะเดี๋ยวกุญชินจากไต้วันน้องกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ เป็นยังไงมีอะไรัหมมีครับมีมาัาออันนั้นมีมีเรื่องมรรมอาจารย์ครับเพราะที่ตื่นมาประมาณปีสามผมนั่งฟังธรรมของหลวงตาหลวงตาบวัวครับผมนั่งฟังธรรมท่านทีนี้นั่งในท่าสั บ, สบ สมาธิอะครับยังมีมีน้ํามันมีน้ํามูกผ่านลงมาเนี่ยครับอาจารย์แต่ผมอยู่ในผมผมตั้งตั้งไว้ว่าจะนั่งฟังลงตาจนจบก็จะออกจากท่าสมาธิครับอาจารย์อยู่ในที่ท่านั่งมีคนหยิบกระดาษทิชูมาซักไห้กับอาจารย์แต่ไม่มีใครนะครับผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับ <S <S <ม>ตรงแกีงที่นอน ก็เลยถามปานจันว่าผมคิดไปเองหรือว่าไครับมันก็มันก็อาจจะเป็นจิตจิตที่มันไปไปปรุงแต่งขึ้นมาเองรถรู้เฉยๆไปรูว้ว่าจกดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วดับไปก็ผอไม่ต้องไปสนใจเป็นภาวะเป็นปรากฏการอย่างหนึ่งที่ไม่เที่ยงถ้าเราไม่ไปหลงไปยึดไปติดก็จะไม่ทุกข์กมันครับปานจัน เข้ามากราบอาจารย์ครับโ okay, อเคสาจารต่าต้องรับปะแม่น้องพีเตอแม่น้องพีน้องพีหลับแล้วเลยกล่าวมนมาสการค่ะหลวงพ่อน้องพีไปอยู่บ้านพี่สาวหนูค่ ะ, ะไปได้สองอาทิตย์แต่ว่าหนูหนูก็วุ่นแต่ พอนี้ว่าวันนี้ก็เพิ่งไปทําวัดเย็นที่วัดมารเจ้าค่ะก็เลยมาสายกลัวจะไม่ทันมันเข้ามาตอนตอนสองทุ่มเป๊ะพอดีเลย mm hmm. แล้วก็รายงานหลวงพ่อค่ะมาอาทิตย์ก่อนนู้นที่ที่น้องพีเขาไม่ได้สวมดมนต์แล้วหนูก็บอกกับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าเสียดายที่เราไม่สามารถทําได้ตัวตัวเองแล้วก็เสียใจมากล้องพีแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็กลับ พอมาอีกวันหนึ่งหนูก็ให้เขาฟังฟังธรรมพอเสร็จปตบกลางคืนนั่งสมาธิเองแล่หนูอาบน้ำเสร็จเข้ามาก็ตกใจเห็นลูกนั่งสมาธิหนูก็เลยเงียบแล้วเขาก็นั่งนั่งสักพักหนึ่งพอนั่งเสร็จหนูก็เลยบอกว่าเอาก็สวดมนต์ต่อว่าถามว่าหนูก็เลยถามว่าทาไมน้องพีมานั่งสมาธิเองสวดมนต์เองเหรอครับอะไรอย่างนี้ก็เลยถามเขาบอกเขา เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากทำให้หลวงตาเสียใจพี่ถิ mm ่น hmm. พีบอกเขาไม่อยากผิดสัญญากับหลวงตาบอกว่าทำให้หลวงตาแบบเสียใจที่แบบเขาไม่ยอมสวดมนต์ไม่นั่งสมาธิเงี้ค่ะ mm hmm. แล้วตอนนี้ก็ไปบ้านคุณยายแล้วก็บ้านพี่สาวไปอยู่กับคุณยายก็สวดมนต์กับคุณยายพาคุณยายเข้าเข้าวัดนะคะโบสอยู่ใกล้บ้านก็ไปทำวัดทาวัดเย็นกับคุณยายแล้วก็ อยู่บ้านพี่สาวก็เลยก็เนี่ยคุยคุยกันทางไลน์ค่ะสองทุ่มกว่าก็จะโทรมาให้แม่เป็นครูสอนสวดมนต์่ะสวดมนต์แม่แม่ฟังสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิเมื่อกี้น้องพีก็โทรมาก็เลยก็เลยเอากล้องไปส่องใกล้ๆหลวงพ่อค่ะแล้วเขาก็กราบแล้วก็สวดมนต์ต่อนหน้าหลวงพ่อค่ะนี่ค่ะก็สำนึกผิดสำนึกผิดเขาเสียใจ ั็ดีค่ะแล้วก็อ่าหลวงพี่ค่ะพระลูกชายตอนนี้ก็ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติดีมากก็ไม่ได้สนใจว่าสิ่งรอบข้างจะเป็นยังไงค่ะตั้งใจอ่านพระธรรมตั้งใจสวดมนต์อะไรที่ยังแบบว่าสวดไม่ได้อระท่านก็บอกว่าตั้งใจสวดตั้งใจอ่านอยู่ค่ะแล้วก็ ถ้าลาสิกขาเมื่อไหร่ก็จะพาไปกับหลวงพ่อเจ้าคะ่ะดีกันไว้อยู่ค่ะอยู่ไปนานๆบอกว่าอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะอยู่ ไ, ได้ค่ะตอนนี้เขาก็ยังมีเซลล์อยู่มีเซลล์อยู่ที่ที่วัดนะคะเพราะว่าหลวงพ่อเจ้าว่าท่านก็จะฝึกให้ทั้งพระทั้งเนยนะคะขึ้นมาบรรยายธรรมตอนช่วงทําวัดเย็นนะะอย่างเงี้ยคะ่ะ ท, ทุกวันค่ะต่นนี้หลวงพี่หลวงพี่ซันนะคะก็ได้มาบรรยายธรรมญาติโ ย, ยมอนุโมทนาแบบว่าเขาก็ชอบใจจนแบบทัท้งพระทั้งเลงก็บอกว่าหลวงพี่อย่าสึกเลยบอกว่ า, อ ย, าอย่าสึกเลยบากบวดต่อเธอบอกบอกว่าเทศเก่งๆอย่างนี้น่าจะต่อสักพันสา<บ> <laughs> หลวงพี่ก็หัวเราะค่ะ ก็ไม่แน่อาจจะติดใจก็ได้ค่ะอุ้ยเขาคือความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยขัดเกามากจริงๆเลยเจ้าค่ะจนเห็นแบบว่าการที่ อ, อ่หลวงพี่อะค่ะหลวงพี่สันเนี่ยเขาโุยกาบพะจากบางทีเขาก็แบบว่าฝรั่งอะนะคะแต่หนูก็สอนให้เขาอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะแต่ความที่แบบว่า อีกโก้อาจจะแบบมีอีกโก้อาจจะไม่นั่งไม่อะไรไม่ได้คุกเขา่าไม่ได้แบบคานไม่ได้กล่มพอหนูเห็นไปบวชแค่แบบอาทิตย์เดียวเท่านั้นเองโอ้แบบว่าคือเขาถอดอีกโก้เขาหมดเลยค่ะอได้เรียนรู้ขนมทําในมาภพในที่ดีค่ะโอ้แบบกราบอย่างสวยแลย้วหนูเห็นแล้วแบบโอ้ยแบบหนูนี่ร้องไห้มาเนี่ยตั้งแต่ ค่าลูกชายบวชจนถึงตอนนี้แบบนึกถึงทีไรก็ยังน้ําตาไหลซับซึง้งยังยังปีติอยู่ตลอดค่ะก็ได้ไปทําบุญกับท่านอยู่ตลอดนี่ค่ะแล้วหนู ก, ก็ก่อชายพ้าเหลืองแม่ได้ก่อชายผ้าเหลืองเมื่อขึ้นสวรรค์ไปด้วยแต่ทุกเจ้าค่ะแต่หนูก็มีบอกบอกหลวงพี่ไปอ่ะคะว่าบอกการที่แบบว่าหลวงพี่มาบวชเนี่ยมันก็เป็นแบบว่า เป็นบุญของหลวงพี่เองโยมพ่อโยมแม่ก็ตั้งใจปฏิบัติก็บอก่ว่าเป็นแบบอัตหิอัตโนโนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมาพ่อแม่ก็พยายามสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะพระมาบวชก็เป็นบุญของพระแล้วก็เป็นบุญของพ่อแม่ที่เห็นตอนที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ว่าเห็นพ่อแม่แบบมีความสุขนี่ก็คือบุญบุญจริงๆค่ะไช mm hmm. แล้วก็ยังก็ทำให้เรามีกําลังใจได้ย์ปฏิบัติมากขึ้นไปด้วยใช่ค่ะหนูก็ไม่พลาดทําวัดเช้าทำวัดเยน็นอ่าก็เดี๋ยวเดือนหน้านะคะหลวงพ่อจะไปพาลูกๆไปกับหลวงพ่อเจ้าค่ะเดแล้วแต่เสด็จก็แล้วกันนะค่ะขอให้หลวงพ่อท่านแข็งแรงนะเจ้าค่ะเดีาสาธุจ้าขอบคุณเจ้าค่ะ ไปด้คุณมาลีต่อคุณมาลีอย้กถึงพ่อค่ะนี่ไงจิตสมองสมัยสะเยือนไหมสะเทนไไม่ขึ้นขึ้นลงลงนะอนี้อยู่ใช่ค่ะรับมันเรียกว่า อ, าอะไรมีมีความรื่นเริงมีความพอใจในการปฏิบัติยิ่งขึ้นค่นนะหลวงพ่อแล้ว แล้วก็ยิ่งพิชณาปัญญาสติสมาที่ยิ่งดีดีลดแต่งธรรมชาตลทั้งปวงนะค่ะเลยค่ะแล้วก็หนูก็เลยช่วงนี้มีเวลามากว้อช่ไหนเจ็บหมดเลยค่ะหลวงพ่อที่ทำงานนะคะกังวันก็ขึ้นค่ะมีเวลาโช่ครพักคือตอนนี้แบบทำอะไรก็ดีไปหมดเลยค่ะหลวงพ่อในเรื่องของจิตใจนะคะหลวงพ่อแล้วก็ให้เห็น พอเราฝึกพิจารณาปัญญามากๆค่ะหลวงพ่อมันเห็นอะไรมันจะเป็นไฟรักไปหมดเลยอค่ะหลวงพ่อ mm hmm. แม้แต่เพียงเรื่องเล็ก ๆ, ๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันมองปุกมันก็เข้าเข้าเกณฑ์ตรงนี้ตรงนี้มันเหมือนเ่อทำไมสิ่งใต้ตัวทําไมเราไม่เคยไม่เคยดูแบบแบบเนี้ยค่ะหลวงพ่อจริงๆจังๆเลยนะค่ะหลวงพอง mm hmm. เห็นแล้วแบบแบบมันดีมากๆเลยค่ะหลวงพ่อ แล้วสมาธิเขาก็จะมาเองที่นเราพิจารณาปัญญาอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อหนูหนูจะเอ่อเน้นตรงที่ว่าอผลผลเล็บฟันหนังแล้วก็หนูก็เอาเกสรลงมาและขาทัานตาจัดโจตโจ้ทันตาหน้าขาลงอาเกสาอย่างเนี้ยค่ะหนูจะกลับมากลับไปอย่างเนี้ค่ะหลวงพ่ อ, พอมันยิ่งมันยิ่งเพิ่มเข้าไปอีอะค่ะหลวงพ่ อ, พอสมาธิอะไรทุกอย่างมันมันดีไปหมดเลยอะค่ะหลวงพ่ อ, พอ ใจก็โล่งใจก็โปรตมาธิดินงฆ์ห้อเห็นมองเห็นอะไรก็เหมือนแบบมันมันมันไอจริงๆก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่เคยดูไม่เคยสังเกตไี่เคยเห็นสิ่งใกล้ตัวอย่างเงี้ยคหลวงพ่อ่แล้วบางทีมองข้ามไปเอาิงทุกสิงทุกอย่างเหมือนกันหมดเป็นแนี้จังทุกขังนัสตาั้วยใช่ค่ะหลวงพ่อแล้วมันไม่ใช่แค่ตัวเรา ตคนอื่นสัตว์อื่นหรือแม้กระทั่งสิ่งของที่ที่เราไม่เคยคิดมันมันมีจุดเหมือนกันหมดเลยคืออันนี้จังทุกขังและตั้งเหมือนกันหมดเลยนะครับอือสับเบย์พระเจ้าบอกสับเบย์ทุกสิ่งทุกอย่างสับสับเปร่งสับปรสัต ท, ทั้งหลายทั้งปวงเป็นตายรักทั้งหมดอืมใช่เลยเราเมื่อก่อนเราไม่เคยดูไม่เคยสังเกตไม่เคยอะไรพอพอมาสุดแบบเนี้ค่ะเพราะมันทําให้เรา เหนเห็นเริ่มเหงือะไรชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆฝันพอแล้วก็จิตใจมันจะดีดีขึ้นมีเรื่มมีความสุกมีความสงบมีความลื่นลึงที่เราจะปฏิบัติอย่างนี้ยพราะถ้ามันมันสบายเห็นแล้วมันก็สบายไปหมดเลยแล้วค่ะปัญญาพอมันเริ่มเดินนะมันเหมือนไฟไฟที่มันลุกแล้วมันก็จะไม่เชื้ออยู่ไหนมันก็ไม่ไล่ไหม้ไปเรื่อย พญามันพิจารณาเรื่องอะไรมันก็มันก็ไปเรื่อยๆแต่แต่ว่าพอพิจารณามันพอถึงจุดเมื่อมันจะเข้าสมาธิอะค่ะหลวงพ่อมันจะเป็นสมาธิของมันเองค่ะหลวพอมันก็เหมือนมอพักมาพักเสร็จพอมีแรงมันก็พอมันปล่อยวางปั้มมันก็สงบทันทีข้าหลวงพ่อแล้วอย่างเมื่อกี้หนูนั่งฟังหลวงพ่อโอ้โหแบบดีมากเลยค่ะหลวงพ่อติดมัน พยายามที่จะเข้าไปเข้าไปลึกๆมันสงบมันแิ่นสติมันดีมากๆเลยค่ะหลวงพ่อมันมันสบายรูอธิบายนี้ค่ะหลวงพ่อรู้แต่ว่ายินดีที่ที่มันเป็นแบบนี้ค่ะหลวงพ่อนี่เห็นเข้าไปเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อไม่ไม่มีความเบื่อไม่มีความนายเลยลดแห่งธรรมชนะลถทั้งปวงไม่มีเล<อ>ยดเท <ๆ S 1> ่าก<ๆ>ับรถสองธรรมะนะ ร็ยังรถยังเ อ, อ่อ ย, อออยออมันเบื่อได้แต่รถแห่งธรรมนี่ไม่มีวันเบื่อการลโกอีกวันก<อ>ี่ปีผ่านไปก็ยถถังเป็นรถแห่งธรรมทีท่ชนะรถทั้งปวงอยู่นันไม่มีวันเสื่ อ, อ, อมอโอเคทำต่อไปค่ะหลวงพอขอว่าขึ้นหลวงพ่อว่าา อย่าลืมเข้าสมาธิเดินสลับกันไปนะปัญญากับสมาธินี่สลับกันทํางานถึงจะได้ผลดีทําอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันจะไม่ดีไม่ดีพอทําบัญญัติใอย่างเดียวเดี๋ยมันก็ฟุ้งมันก็เหนื่อยได้พอมันฟุ้งมันเหนื่อยก็ต้องหยุดเข้าสมาธิพักจิตดึงพลังให้ก่อนแล้วค่อยออกมาพิจารณาต่อหรือจะปฏิบัติฟ้าวค่ะหลวงพ่อแล้วก็จะทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเลย Yeah, okay. อยาโอเคยินดีด้วยขคุณขอบคุณหลวงพ่ yeah. อค่ะขอบคุณสายทิพงานสายทิพย์เป็นยังไงอันนี้ทํางานอยู่เลยกลับนมัสการพระอาจารย์ต้องค่ะตอนนี้ทํางานด้วยค่ะพระอาจารย์งานด่วนเข้ารายงานเลยค่ะแต่ก็อยากเข้ามากราบพระอาจารย์ด้วยค่ะงานอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้ๆบ้างเนอ ก็อยูที่บ้านใกล้ตับที่บ้านนที่บ้านนี้ก็อยู่ในในชุมชนนะอยู่ในเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านชาวบ้านนะคะพระอาจารย์ประมาณพันหลังคาเรือนค่ะก็เยอะก็ใหญ่เหมือนกันนะก็เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ค่ะแล้วหนูก็ตึกมีตึกเล็กหน้าบ้านที่แต่ก่อนพี่สาเป็นสถานพยาบาลค่ะพระอาจารย์แล้วก็ไม่ได้ใช้ก็เลยปรับปรุงเป็นร้านยาต่อได้เลยค่ะก็มีคนเข้าอเรื่อยๆนะก็ หมายถึงลูกค้ า, าหรื อ, อลูกค้าลูกค้ามีก็ก็มีมีมีมมมไม่ไม่เยอะแต่ก็ก็พอน่ารักน่ารักค่ะพระอาจารย์มีพอพออยู่ได้อะไรเงี้ยค่ะหมายถึงเ<ม>พิ่ง<ม>เริ่มต้นค่ะเราเปิดแค่ห้าโมงครึ่งตอนเย็นถึงสองทุ่มค่ะพระอาจารย์ตอนนี้นปิดแล้วยังเปิดอยู่ตอนนี้ปิดด้านหน้าค่ะปิดแล้วค่ะก็เลยร่างทํางานแล้วก็เข้ามาฟังธรรมพระอาจารย์ด้วยค่ะ มีอะไรไหมก็ยังปฏิบัติแต่ช่วงนี้งานการงานเข้าสมาธิก็ ก, ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะพระอาจารย์เข้าสมาธิไม่ค่อยได้ส่วนเรื่องเรื่องวันส่วนก็เมื่อวานพาคุณพ่อไปหาคุณหมอคุณพ่อเลยถามว่าเอาจริงใช่ไหมก็เลยบอกโอ้ยเอาจริงคุณพ่อเลยโอเคเอาจริงคุณ พ, เคเพ่อจะไปคุยกับช่งางค่ะพระอาจารย์ คงก็คงเดียวถ้าได้ช่างก็คงเรล่มเลยค่ะองปลูกไม่ใหญ่นะสาหรับอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยปลูกปลูกไม่ใหญ่ก็เป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวห้องโถงก็คุณพ่อบอกว่าเอาเอาปลอดภัยค่ะก็แต่ว่ามีแค่หนึ่งห้องนอนค่ะพระอาจารย์ห้องน้ําเล็กๆแต่ว่ามีห้องโถงไว้หน่อยค่ะอยู่คนเดียวค่ะพระอาจารย์ดีอยวให้คนอื่นมาอยู่ด้วยนะเสียหมดเลย ก็ไม่ให้ะคะ่ะถ้าเราจะปฏิบัติทํานี้ต้องอยู่คนเดียวค่ะก็ก็เป็นห้องของเราคนเดียวเลยค่ะพระอาจารย์คุณพ่อให้ให้ปฏิบัติอยู่คนเดียวส่วนที่ที่มีอีกอา่าที่เป็นเป็นเขาเดือนน้อยของคุณพ่อตอนแรกจริงๆตอนนั้นคุณพ่อใจยกให้คุยไปคุยม า, ค, ยมาคุณพ่อก็อยากจะออกมาอยู่บ้างคุณพ่อเลยขออยู่คนละอยู่คนละ มีู่กับหลังค่ะคุณพ่อจะได้ฟังธรรมหรืออะไรคุณพ่อก็ปฏิบัติคุณพ่อบอกคุณพ่อก็จะไปไปมาสองหลังดีค่ะแต่เราได้ดูแลคุณพ่อด้วยแต่ว่าก็อยู่กับหลังค่ะได้ช่วยคุณพ่อให้ปฏิบัติธรรมนี่ก็ถือว่าได้บุญเยอะตอนนี้คุณพ่อปฏิบัติเยอะน่าจะติดอาจจะดีกับหนูในบางอย่างด้วยค่ะพระอาจารย์บางทีพ่อก็ได้ช่วยเตือนเละคุณพ่อเห็นเดือนนี้ได้ฟังธรรมอะไรต่างๆแล้วก็ มาวันหนึ่งมาถามหนูว่ารู้จักพระอาจารย์สุชาติไหมหนู <Yeah. S 2> บอกเอ้าครูอาจารย์หนูแดงเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วค mm ุณ hmm. พ่อยังคุณพ่อก็แบบเริ่มฟังค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ค่ะ <Yeah. S 2> แต่ก็ยังไม่ยอมเข้าสูงค่ะก็ก็ค่อยๆเหมือนเหมือนเหมือนค่อยเป็นคอ่อยอ่าเป็นข้อมูลอะไรให้คุณพ่ออะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ค่อยๆเนียนๆให้ข้อมูลไปเรื่อยๆ แต่ก่อนคุณพ่อแอนตี้พระอะไรค่ะพระอาจารย์หนูเอาหนัง<ม>สือวางไว้ที่บ้าน<ม>เป็นกุสโล บ, บายตอนนี้คุณพ่อเปิดธรรมะเองอะไรเอง<ม>แล้วถ้าเปิดหนูทําอะไรที่ที่ดูมันไ ม, ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคคุณพ่อก็เอาธรรมะมาปึ้ง<ม>แล้วก็โอ้ยอะไรเนี้ยค่ะโอ้ยโอเคคุยธรรมะกันบ้างคุยตลก บ, บ้างอะไรเนี้ยค่ะพระอาจารย์<ม><ม>คุณพ่อบอกว่า ตลกเพื่อแบบคุณพ่ออายุจะแปดสิบเมษาเนี้ยค่ะคุณพ่อว่ากลัวสมองเสือ่อมขอพูดเล่นซึ่งคนพูดเล่นกับคุณพ่อได้มีมีเราคนเดียวซึ่งคนอื่นว่าคุยอะไรกันอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เราก็จะรู้ว่าพูดเล่นให้พ่อสนุกเฉยเฉยเงี้ยค่ะค่ะหนูยังปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าช่วงนี้งานเข้ายิ่งยิ่งจะเอางานออกงานก็ยิ่งเท่าค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ตอนนี้ยังไปสอนที่บางอะอยู่อ่ะ อช่วงนี้จะเป็นช่วงคุมสอบค่ะพระอาจารย์เป็นปลายภาค่ะเราจะมีไปคุมสอบแล้วก็มีงานวิจัยที่เขาส่งมาให้เราทําค่ะพระอาจารย์ก็ตระหนักงานวิจัยหน่อยหนึ่งค่ะก็ยังยังไม่เท่งงานสอนยังยิ่งอยากจะทิ้งก็จะยิ่งเยอะขึ้นด้วยด้วยด้ว ย, ด, วยด้วยตําแหน่งด้วยอะไรด้วยงานที่เขาก็ก็จะท่านอยากให้เราทําวิจัยค่ะพระอาจารย์ ผู้ใหญ่ก็สั่งมาแล้วก็ตอนแรกหนูหนูบอกคุณพ่อว่าหนูจะไม่ทำวิจัยแล้วเพราะเหนื่อยคะ่ะคณะบดีโทรมาโดยตรงแล้วก็โอเคทำก็ได้ประมาณนี้คะ่ะพระอาจารย์เสียงอ่อยๆทำก็ได้ก็ยังต้องสู้สู้ต่อ ส, สู้ด้านทางโลกไปด้วยคะ่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็กระเทือนทางธรรมอยู่เหมือนกันว่ากินเวลาแล้วก็กินกินร่างกายเราด้วยคะ่ะพระอาจารย์ mm hmm. คือก็ต้องคิดถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายเรานะค่ะหวอลองกระดูกก็กินอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าหนูจะเป็นเหมือนเหมือนอีกคนแต่ว่าหนูจะรล้าลงขาแล้วไปแล้วมาแต่ในความรู้สึกคือมันรล้าแต่หนูไม่ได้รู้สึกปวดนะคะพระอาจารย์รู้สึกแค่ว่ามันรล้าเฉยๆเองค่ะก็ก็อยู่กับมันอย่างตอนนี้อยู่กับมันยังไม่ทําอะไรเท่าไหร่ค่ะ อแล้นถ้าปล่อยมันได้ก็ปล่อยมัไปตามเรื่องของมัน่ะค่ะก็ดูดูมันไปนะคะพระอาจารย์แต่จำเป็นต้องรักษากละรักษาไปอืมค่ะก็จะพยายามปฏิบัติต่อพระอาจารย์คะมีบางช่วงที่แบบเหนือนระหว่างวันที่เรารู้สึกว่ามันพอทํางานแล้วมันเหมือนไม่ได้คิดอะไรเยอะๆมันจะค่อยๆค่อยๆเงียบค่ะพระอาจารย์แล้วใจมันก็บอกว่าไอ้มันเหมือนจะเป็นทางเป็นเส้นทางสองทางค่ะก็คือ หนึ่งคือจะเป็นสมาธิกับสองก็คือจะง่วงแล้วเราก็เลยคิดว่าเออมันจริงๆถ้าสงบแบบนี้ไปนั่งสมาธิเลยอย่างนี้ถูกต้องไหมคะพระอาจารย์กถูกแต่แต่มันจะนั่งได้หรือเปล่าว่าอีกทีอีกว่างอีกทีหนึ่งก็ลองดูสิถ้าสติมันอ่อนมันก็จะนั่งหลับถ้ามันสติไม่อ่อนมันก็จะนั่งแล้วก็สงบได้ค่ะเลเหมือนมันจะไปทางแบบมันเป็นเป็นแบบเหมือนจะสงบ ก็ลองดูเถอะไม่นองก็ไม่รู้มันน่านั่งค่ะพระอาจารย์ไดนั่งดีที่มันจะได้ผลมาไมนั่นก็อีกเรื่องมันค่ะค่ะพระอาจารย์ลองดูลองดูถ้าอยากจะนั่งก็รีบนั่งเลยอม่ต้องหาไม่ตองทำพิธีรีตองอะไรถึงวลาอยานั่งือเอานั่งหลับตาตรงนี้เลย ค่ะพหนูเป็นแบบนั้นอ๋อมันจะอยากนั่งเลยแล้วก็ไปแล้วก็นั่งเลยค่ะพระอาจารย์เหมือนใจเอ้ยนี่มันอยากนั่งเหมันมันจะสงบนะอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ก็นั่งเลยค่ะบางช่วงจิตมันอยากมันอาจจะเหนื่อยมันอยากจะพักก็ได้นะถ้ามันอยากจะพักก็ตอบสนองมันเลยยินดีอ๋อมายพักพักคือพักเข้าสมาธิแหละค่ะพะใช่ใช่อืมค่ะ ก็ค่ะแล้วก็ศิลก็อยู่แถาหกค่ะพระอาจารย์ดูทุกบ้านดูต้นไม้ยังไม่ยังไม่ขาดค่ะพระอาจารย์ตอนนี้มาดูบ้านตรางบ้านยังไงดีเนาะกิเลสต่อค่ะพระอาจารย์มันก็มีเรื่องให้ต่อมานั่งอยู่ไม่จบสักที สู้มันไม่ได้สำสิงบอกเดี๋ยวสู้ต่อไปค่ะพระอาจารย์ต่อไปคงจะหมดค่ะโอเคสาธุพรอาจารย์แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะคุณต้าคุณแนทต่อคุณหมอทั้งสองคนกับน้ำมการครับอาจารย์ครับต่อเข้ามาร่วมฟังธรรมเหมือนเคยครับดีไม่จานเลยนะ ต้องมีจริงๆก็มีบางสัปดาห์ขาด้วยทาง บ, บางทีเข้ามาแล้วจังหวะพอมีโทรศัพท์สายเข้านี่มันห ล, ลุดไปดก็มีก็มีบางสัปดาห์เหมือนกันครับอแต่พยายามค่ะพระอาจารย์จะมารายงานตัวค่ะแล้วก็ยั ง, ย, ย, งยังปฏิบัติอยู่ค่ะแต่ยังไม่ได้เพิ่มก็คือตอนนี้อย่างน้อยขอให้ไม่ไม่น้อยไปกว่าเดิมอย่างที่พระอาจารย์บอกว่ายังไงก็คือใ้เพิ่มประหยัดลดอย่าเดินไทยหนังก็แล้วกันนะ ให้เดินเดินหน้าไม่ได้ก็เดินอย่ให้มันอยู่กับที่ไว้ก่อนค่ะพยายามรักษาระดับแล้วก็วันวันที่แบบเอาไว้ถือศีลที่คิดว่าจะถือศีลมากกว่าศีลห้าค่ะแต่ก็ยังไม่ไม่ถึงจะศีลแปดอย่างเงี้ยค่ะศีลห้า plus อย่างเงี้ยค่ะก็จะพยายามเาทำภาวนาเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะดีเอาห้า plus ไปก่อน <laughs> รื้อแผ่ลบรือแป่ลบก่อนใช่้าหัว ครับะอาจารย์ค่ะก็มาเอข้ามาเอากำลังใจคโอเครับอาจารย์อ่าค่ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะอ่าคุณปุ้ยอยู่ที่ไหนเนี่ยเหมือนอยู่ในไนท์คลับหรือไงมีเสียงมีแสงอะไรอยู่ข้างหลงอาจารย์ยมไปได้รูปมารูปจักรวาลมายมชอบดูเพื่อนเห็นเห็นก็อยู่ในห้องในไนท์คลับอ๋อไม่ใช่นี่ไง เป็นไว้พระอาทิตย์เนี่ยจับนรรมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมก็ปฏิบัติเหมือนเดิมเอ่อกลางวันถือศีลเจดแล้วก็กลางคืนตอนเย็นถือศีลแปดโยมก็สวดมนต์แล้วก็น่ะสมาธิเอ่อจะมีเอ่อสองวันโยมหย่อนไปนิดนึงเอ่อแล้วก็เหมือนกับน้องคนนั้นพูดเก็กบหัวหกล้มหกล้มเนี่ย โยมว่าอืประมาทมากเลยเมื่อวันเสาร์โยมหกล้มอ่ะพระอาจารย์แล้วมันมันไม่ได้ตั้งใจแต่เราเห็นแล้วว่ามีอะไรหวังอยู่ที่พื้นทีนี้มันมันเหมือนกับน้องเขาพูดทําให้เรานึกถึงตัวเราแบบตอนที่โยมล้มอ่ะโยมรู้ว่ามันยโยมจะล้มนะพระอาจารย์แต่มันเหมือนกับมีอะไรมาฉุดโยมแต่โยมล้มแบบแรงมากแต่มันไม่เจ็บเลยอ่ะพระอาจารย์ มันก็แปลกเนาะนายโยมก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเดี๋ยวไปหาว่าปรุงแต่งเดี๋ยวพอยอมไมอยากให้จิตโยมปุงแต่งมากค่ะอ่ฮะมันเหมือนกับใครมาผักโยมแต่บ้านโยมไม่มีใครมีดมานาโยมก็ไม่อยากจะคิดมากโยมก็เลยเฉยๆไปโยมก็เลยอโยมก็มีปัญหาตรงที่ว่าตื่นมาแล้วแบบมันพอเวลาจะไปนั่งสวดมนต์แล้วแบบมันใจมันไม่แบบมัน มันเหมือ น, นจะเจลับด้วยแล้วมันเหมือนอะไรมาแกล้งหรือมยมขี้เกียจค่ะอาจารย์ก็มต้องรู้ก่นมันเดินเดินมาแล้วถ้ามันนั่งไม่ได้ก็เดินไปเดินมาเดินวงกลมเดี๋ยวยมจะเอาใหม่ ย, ยมได้ว่าถามว่ายมไม่มีอะไรจะคิดนะยมแบบรู้สึกมันนิ่งๆมันมันเจ้าๆ้ามันยังไม่เคยคิดอะไรเท่าไหร่ อ่ามันนนนิ่ ง, งาสมาธิได้จริงก็จะสงบง่ายช่วงตอนเช้าเนี่ยใช่โยมโยมนั่งก่อนนอนด้วยแล้วโยมก็นั่งตอนเช้าโยมนั่งตามที่พระอาจารย์เปิดนั่นแหละและ้วก็เออโยมนี่มันเหมือนมีอะไรมาเกาะหูโยมอะเหมือนเสียงหลวงตะ บ, บัวหรืออะไรบอกว่าเวลาจะฟังอะ่ะให้โยมมาฟังแบบเหมือนกับ ฟังเป็นคนๆฟังเป็นพระพระไปทีนี้โยมก็เริ่มเริ่มตั้งแต่วันที่โยมนั่งฟังพระอาจารย์อ่ะพอโยมจบแล้วพอยมชอบ ฟ, ون, ฟังตรงนู้นฟังตรงนี้ฟังตรงนี้ฟังตรงนู้นโยมก็เลยเอามาฟังแบบพระอาจารย์คนเดียวโยมฟังแบบย้อนไปปีนูน้นปีนี้ปีนี้ปีนูน้นโยมก็ฟังคือมันนิ่งนะพระอาจารย์บอเวลาโยมฟังเสียงพระอาจารย์ไม่รู้ในเสียงพระอาจารย์มีอะไรไม่รู้โยมฟังแล้วมันรู้ นิ่งมันจะสงบหรือว่ายมจะหลับไปยมก็ไม่รู้นะ่ะเสียงทำ ม, มากไมันจะ่ยมก็ไม่ได้หลับนะพระอาจารย์ออ<ม>แล้วแบบมันเวลาที่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งคือมันเหมือนมีอะไรเข้ามาในหูโยมอะ่ะบืนบึนบึนบึนบึนอย่างเงี้ยอะ่ะพอเวลายมมันเหมือนมันเปมือนสิ่งที่เตือนว่าเฮ้ยเราต้องไปนั่งสมาธิแล้วพอเราหลับตาปุ๊บ คือคือมันเหมือนอะไรที่วิ่งจู้ลงมาอย่างเงี้ยเหมือนจะตอนที่พระอาจารย์พูดแบบว่าเอาพุโทโธมาวางไว้ที่ใจเออโยมรู้สึกได้เลยว่าเออมันจริงเนาะโยมโยมเข้าใจเลยคํานั้นเนี่ยโยมก็เลยแกลียดจับขอบคุณครับะอาจารย์แต่โยมก็อาจจะย่อนยานแต่โยมก็ยังมีสมาธินะยังนั่งสมาธิโยมนั่งไม่ถึงสี่ชั่วโมงแต่มีวันหนึ่งที่ โยมเก่งมากเลยอ่ะโยมคิดว่าเป็นวันศุกร์มั้งที่โยมจดเอาไว้อ่ะเพราะว่าโยมไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วโยมก็นั่งที่เป็นวันพระโยมก็นั่งนั่งแล้วก็นั่งอีกนั่งแล้วก็นั่งแล้วก็นั่งแบบคือมันไม่มีอะไรรบกวนเราแล้วมันทำให้สมาธิมันดีอ่ะคะ่ะมันไม่เห็นอะไรหรอกพระอาจารย์แต่ว่าไม่ต้องเห็นอนะ่ะต้องการให้จิตว่างสงบใช่โยมก็ไม่ได้คิดว่าโยมจะไปเห็นนรกเห็นสวรรค์อะไรอย่างนี้นะคะแต่ คือคือสิ่งที่มันรบกวนโยมอยู่เรื่องหนึ่งคือว่าโยมชอบเป็นหวัดด้วยเลยนะไม่รู้เป็นยังไงโยมชอบเป็นหวัดแล้วมันชอบมีอะไรเหมือนกับมีอะไรมาติดคอเหมือนกับมีคนมาแกล้งอนะ่ะโยมก็ไม่ใหญ่จะคิดว่ามันจะมีใครมาแกล้งแล้วบางทีแบบแล้วก็เอ๊อเราเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็พยายามกินยาดับนะคะแต่ว่ามันมันก็ไม่มีอะไรมันก็ผ่านไปได้ค่ะโอเคดีมาก ทำต่อไปนะอ่าโยมก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วว่าโยมจะเดินทางธรรมและโยมขออธิษฐานจิตว่าโยมจะไม่กระทำบาปใดใดอีกแล้วค่ะขอให้ได้บวชในชีวิตนี้นะต้นปาชีวิตเป็นแม่ชีดีไหมอาจารย์เจ้ า, า่าโยมโยมไม่อยากบวชอะโยมอยากเป็นอยากเป็นอยากเป็นคนถือศีลอย่างเนี้ยได้ไหมอะถือศีลแตกกันเนี้ย ถือถือบม่ชียันดีกว่าเดี๋ยวถึงเวลาก็รู้เอถึงเวลาก็อยากเป็นเองอะไม่ต้องกลัวหรอก<ด>เป็นสิ่ง<ด>ทีเ่เป็ น, เ ป, นเป็นการกระทําที่ประเสริฐที่สุดของผู้หญิงก็คือได้บวชชีนี่ยถือว่าเป็นการกระทําที่ประเสริฐที่สุดนะในชีวิตอาจารย์เสียดายอะไรกับผมผมมันก็มีแค่มันก็มันตกไปในอาหารมันก็กทําให้อาหารสปปกปรกล้ว ยิงค่ะม่มีมความวิเศษวิโสเลยผมนก่อนมันทิ่งไปเลยยิงค่ะโยมพระอาจารย์คะโยมคิดว่าปีเนี้โยมอาจจะได้ไปกราบพระอาจารย์คะ่ะอ่าอย่าเพิ่งพูดโทษเลยอย่าไป็กังวังกาณาคตเลยทําปัจจุบันให้ดีไว้ก่อนแล้วกันนะทำใจให้สงบในปัจจุบันน ะ, ะโอเคอนะขอให้พระอาจารย์ธาตฐขันแข็งแรงเจ้าค่าพระอาจารย์สาธุขอใหคุณปุ้ยมีแต่ความสุขมีแต่ความน่ํารวยนะ สาธุน้อมรับพรค่ะอ่าโอเคท่านต่อไปคิอคุณมาิการุณมาิการจากเลาที่ว่าเชิญกราบและมาตการเจ้าขับพระอาจารย์วันนี้ลูกไม่มีคําถามนะคะมากราบพระอาจารย์สบายดีนะก็สบาดีนะคะพระอาจารย์ก็สบายดีอยู่ก็คือใช้ปัญญามาพิจารณาเพราะว่าทํางานนพระอาจารย์ก็ก็ทีนี้ก็ก็เลย โล่งใจเบาใจแล้วก็อะไรที่มันที่ว่าหนักมันก็เบาลงค่ะอาจารย์ปัญญาเป็นยังไงปัญญาปัญญานั้นก็คือก็คือหมายถึงว่าเช่นเมื่อเราต้องการให้ใครมาช่วยเช่นมาช่วยใช่ไหมคะเวลาทำงานบางทีทำอยู่คนเดียวก็อยากยาให้คนรุ่นมาช่วยก็บอกว่าในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยความที่ว่าเราต้องทำเพื่อ ไม่ได้ต้องการมันมากมายแต่เพื่อเป็นปัจจัยในการรองรับการทการอยู่ในชีวิตประจาวันและเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ทำได้รู้จักการพักผ่อนบ้างดูแลตัวเองบ้างแล้วก็ไม่ต้องหวังอะไรมากมายแค่นี้กับพระอาจารย์แล้วก็ยิ้มให้กับตัวเองแล้วก็จะสร้างความสุขแล้วก็นึกถึงคำสอนของพระอาจารย์ว่าเมื่อชนกับใครเจอปัญหาอะไร ให้ยอมหยุดเย็นอยู่ที่เราจบที่เราแล้วเราก็จะมีความสุข ด, ด้วยตัวของเราเองเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่ถูกต้องนะคือปัญญานะายอมหยุดเย็นคือปัญญาใช่โอเคสาธุสาธุเจ้าค่ะคุณเอิงน้องเอิร์งวนก่อพาคใครมากนะารอาวัชการค่ะพระอาจารย์ วันก่อนพาอ่าเป็นพี่ที่สนิทด้วยค่ะค่ะแล้วก็ไปบวรลนากับพระอาจารย์ค่ะเป็นกำลังใจให้พี่พอดีว่าพี่กำลังเริ่มทาธุรกิจค่ะพระอาจารย์ค่ะพยายามอยู่ไหนความชำราจนี้นะั่นบอกา ค, ค่ะพระอาจารย์เออเอเอวันนี้ก็ยังเออ ทำทุกอย่างเป็นปกติหมายความว่ากินอาหารมือเดียวเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิค่ะผอาจารย์แล้วก็ได้เห็นตอนเดินจงกรมกับตอนนั่งช่วงเนี้ยค่ะได้เห็นว่าจิตมันพยายามจะไปออกไปจากสิ่งที่ทํา <c oughs> เช่นเออเดินจงกรมอยู่แล้วมันก็จะออกไปคิดแบบมากขึ้นบ่อยขึ้นเห็นแบบ มันเรียกว่าการดิ้นของข้างในหรือเปล่าคะว่าแบบได้ดิ้นทั้งทั้งดิ้นของกิเลสกิเลสไม่ชอบคิดแล้วต้องหยุดมันต้องมีอะไรผูกใจไว้เวลาเดินก็ดูที่เท้าก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปอย่าเดินเฉยเฉยเดินแบบมีสติควบคุมค่ะก็ได้เห็นอันนี้แล้วก็เดินแรงขึ้นเพื่อให้กลับมาอ่าเดินแล้วพุทโธพุทโธไปก็ได้ใช้พุทโธเดินกลับมาก็ได้ค่ะพระอาจารย์ แล้วส่วนการนั่งสมาธิอะค่ะก็สําหรับเอิงเอิงพึ่งมานั่งใช่ไหมคะแล้วก็เออมีสภาวะหนึ่งที่รู้สึกว่าพอเราพุทโธไปอะค่ะแล้วมันก็เหมือนเข้าสเตจหูดับค่ะแล้วก็เหมือนลมมันละเอียดขึ้นแต่ว่าเอิงน่าจะตกใจค่ะก็ออกมาปกติเหมือนเดิมแต่ไม่เป็นไรต่อไปรู้รู้ ร, รู้รู้ว่าจะต้องทําังไง ไม่น่าไปสนใจไม่นอาไปตกใจให้ลูกเฉยๆไปมาทำต่อไปอ๋อแล้วก็ขอขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์แล้วก็อาทิตย์หน้าค่ะวันพุธตรงกับวันที่ยี่สิบหกซึ่งวันที่ยี่สอบหกยี่สิบเจ็ดอะค่ะเอิงจะไปอยู่วัดแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้เล่นโซเชียลค่ะก็เลยจะไม่ได้เข้าซูมค่ะได้ดีไปเปรกแวกบ้างไปที่ไหนนะ อ่อแถวปากช่องโคราชค่ะอืมเป็นสถานปฏิบัติธรรมหรือเป็นวัดเป็นสถานปฏิบัติธรรมค่ะอืมคนอยู่ด้วยกันเยอะใช่ไหมหรือว่าโดดเดียวอยู่เป็นโดดเดียวค่ะนี่โอเคค่ะแล้วกลับมาเล่าไหฟังมานหลังวาอะไรเป็นยังไงได้ค่ะอาจารย์โอเคสาธุสาธิตคุณนาวินตา Yeah, I mean ครับสวัสดีครับพระอาจารย์ไม่อะไรมาจะมาจะมาสอบถามพรอาจารย์ครับว่าเอ่อมันมีกายแล้วก็จิตสังขารแล้วก็ตัวจิตมันเป็นคล้ายๆกับสามเลเยอร์ครับในตัวจิตเนี่ยมันจะเป็นผู้รู้อย่างเดียวครับแล้วก็จิตสังขารเนี่ยมันจะปูมงแต่ง แล้วก็มีกายสามเนเยอร์ตรงนี้เนี่ยตัวเราที่แท้จริงเนี่ยเป็นตัวจิตใช่ไหมครับอาจารย์ครับอตัวจิตก็ไม่ใช่ตัวเราตัวจิตมันเป็นตัวรู้ตัวรู้ตัวเราเนี่ยมันเป็นของที่สมมุติขึ้นมาเกิดจากความหลงนั่นเองเพรนตัวเราจริงๆไม่มีมีแต่ตัวจิตตัวรู้แล้วก็ตัวคิดแล้วก็ร่างกาย เราต้องสอนจิตให้ให้รู้แล้วก็ปล่อยวางทุกอย่างว่ามันไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเราต้องให้ให้วิชาไปว่าพวกนี้ถูกสร้างมาโดยอวิชาใช่ไหมครับอาจารย์ใช่อวิชาโมหะความหลงมันสร้างสมมุติขึ้นมาสร้างตัว ต, วตวขนขึ้นมาจากความคิดของจิตแต่สังขาร คิดว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่เราเป็นผู้รู้เราเป็นน่างกายเป็นต้นมบาจทีไม่มีเราแต่มีท่านจิตเป็นท่านรู้น่างกายเป็นท่านดินน้ําลมไฟที่มารวมตัวกันชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็แยกกันออกไปจิตก็จิตก็ไปรวมตัวกับท่านุดินน้ําลมไฟใหม่อีกอีกพบหนึ่งอีกชาติหนึ่งย้ายไปเรื่อย เ, เกิดใหม่กิดเจ็บเจ็บตายไปเรื่อยๆ This, ก็ยังมีตันหาความอยากอยู่ในจิตอยู่ถ้อยากจะหยุดการไปเกิดก็ต้องตัดตันหาความอยากให้หมดไปอจากใจด้วยการฝึกสตินั่งสมาธิเจริญปัญญาให้ความคิดความคิดนี่ไม่ใช่ตัวเราเลยใช่ไหมครับเป็นแค่ธรรมชาติอย่างหนึง่งอ่เป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งตัวจิตก็เป็นธรรมชาติอย่างตัวลมก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราก็เป็นธรรมชาติที่ทํามาจากเด่นน้าลมไป เ ด, เดี๋ยวก็แยกออกจากกันร่างกายก็หายไปตอนแรกเนี่ยตัวร่างกายเนี่ยยังพอเข้าใจได้ครับเพราะว่าตอนเราเกิดมาเนี่ยครับเราเราเหมือนเราต้องมาฝึกใช้ร่างกายใหม่แล้วก็เราก็ต้องค่อยๆฝึกหัดเดินมันเป็นเหมือนุ่นยนต์นะครับในตัวร่างกายก็เหมือนถัดขับรถเนี่ยะ เว่เราไม่เคยขับรถมาพอได้รถมาแล้วเราหัดขับรถรู้จักควบคุมสั่งให้รถวิ่งซ้ายวิ่งขวาเดินหน้าถอยหลังร่างกายล้วก็เหมือนกันพอได้ร่างกายมาเราก็ต้องมาฝึกสอนสั่งมันให้ยุคให้เดินให้ยืนให้นั่งให้นอนให้ทหหาอะไรต่างคนคนฝึกก็คือจิตคนสั่งก็คือจิตจิตตสังขาร ถ้าเราสมมุติว่าร่างกายนี้ตายไปเราก็ต้องไปหาภาชนะร่างกายอันใหม่ใช่ไหมครับเรายังมีความอยากอยู่ถ้ายังมีความอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมืออยากจะดูรูปฟังเสียงอยู่ก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้วกายถ้าเราตัดความอยากได้หมดก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องมีร่างกายใหม่ก็อยู่ที่นิพพานแทนตอนที่มันรู้ว่าความคิดไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันมันเกิด อาการแบบเกิดอาการตอน แ, แ, แ, แ, แรกมันเหมือนต่อต้านนะครับแล้วก็มันก็โรคมันเลยว่าน้ำตาหนังหน้ำตาไหลนะครับอาจารย์ว่าเพราะจริงๆแล้วมันไม่มีไม่มีเราไม่มีเรามาบนโรคนี้เลยนะครับอาจารย์ไม่มันเป็นมันเป็นฟังชันทั้งหมดตัวอย่างมันเป็นอาการมีความคิดมีสัญญาจําได้หมายรู้มีเวทนาความรู้สึกมีวิญญาณการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรส นี่คือความสามารถของจิตนะมันก็เหมือนเป็นซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับเป็นไอซับแวร์อย่างนี้ไหมครับมันก็มันก็เป็นเหมือนฮาร์ดแวร์มากกว่ามันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนโปรเซสเซอร์เป็นอยู่ในคอมที่ตัวจิตนี่เหมือนตัวโปรเซสเซอร์มันมีเมมโมรี่มมโมีกสัญญามันก็มีมันก็มีเวทนาก็คือความน้อนของเครื่อง เครื่องร้อนมันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาะไอซอฟต์แวร์ก็คือสิ่งที่เราไปศึกษาต่างๆแล้วเราต้องสอนจิตเองเลยครับอาจารย์ให้ให้เข้าใจเรให้รู้ว่าทุกอย่างไม่มีไม่มีเราไม่มีเป็นของเราอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอาศัยอะไรมาเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราเพราะมันเป็นของชั่วคราว ให้เราหาความสุขจากการทําใจให้สงบแทนมันจิตวอาให้สงบแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปหาความสุขภายนอกเราก็ไม่ต้องมีหน้าใจพอสําเร็จแล้วเนี่ยมันจะกิเลสมันจะหายไปใช่ไหมครับอาจารย์ครัพอถ้ า, ถ, าถ้าสอนมันสําเร็จกิเลสก็กิเลสจะหายไปกิเลสหายไปแต่ใจไม่หายจิตก็ยังอยู่สังขารก็ยังอยู่ไม่ทนางานสัญญาสังขารก็ยังอยู่ กับโบปวดน้องหายไปความอยากหายไปเหมือนแต่เรายังคิดยังคิดยึงนึกอะไรได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับคิดได้แต่ไม่ได้คิดไปทางกิเลสนะไม่ได้คิดอยากได้เป็นนั่งเป็นนี่อยากมีงั่งมีนีน่ไม่ได้คิดอยากจะรูอยากจะฟังอะไรแนละ้วมันมันอิ่มในตัวของมันเองถ้ามันจะมีความคิดผุดขึ้นมาให้เรายั่วเราอะไรอย่างนี้ไครับอาจารย์อ๋อมั น, ม, นมันคิดไม่ได้เพราะเราถูกมันถูกกับปัญญา ควาจัดไปหมดแล้วไงปัญญาว่างเลยนะครับมันคิดแต่มันไม่ได้คิดในทางกิเลสไงมันไม่ได้คิดว่าอยากจะไปเที่ยวที่นั่นอยากจะไปหาคนนั้นนีอยากจะไปดื่มนั่นนี่อะไรไปเสบนั่นเสบนี่มันไม่คิดละพราะมันรู้ว่าการกระทำนั้นที่เป็นทุกข์ทั้งนั้นแล้วระดับต่างๆครับอาจารย์ถ้าเป็นระดับแรกนี่มันมันก็ยังยังไม่เต็มนี่ร้อร์เซ็น์ใช่ไหมครับก็มันมันมันมันสัดความโล้ความอยากในส่วนต่างๆเนี่ย เบื้องต้นก็ตัดความโลภความอยากในตัวร่างกายครับขั้นต่อไปก็ไปตัดเรื่องของของความอยากในตัวร่างกายของคนอื่นความอยากมีเพศสัมพันธ์อย่างเงี้ยก็สามารถให้เห็นว่าร่างกายมันไม่สวยไม่งามแล้วในที่สุดมันก็จะไปไปตัดความอยากในจิตอีกทีอยากให้จิตสงบอยากให้จิตผ่องใสมีอารมณ์ดีทึ่งจิตมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีสลับกันไป มันก็อามดีบางวันามก็อามเสียได้ถ้ามันไม่ได้ก็คุณมันทำไม่ได้เพราะมันมีเหตุมีปัจจัยที่มาทำให้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ก็อย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปอยากให้มันอย่าอย่าไปอยากให้มันผ่องใสสงบดีสบายบงวันมันก็เครียดบางวันก็มันก็ทุกข์แล้วแต่เหตุปัจจัยที่มันมาสัมผั์รับรู้ ครับตัดได้หมดแล้วก็ไม่ต้องกลับมากลับมามีร่างกายไม่ต้องมาประสบกับรูปเสียงกินลำพันธ์กับรูปเสียงกินรสอะไรต่างๆอีกต่อไปเราก็จะคืนไปเป็นธาตุธาตุรู้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ธาตรู้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีความหิวแล้วมันอิ่มตัวขันห้าก็จะดีแล้วใช่ไหมครับขันห้าก็จะเหลือแค่ขันสี่ขัน ขันขันรู้คือร่างกายก็จะหมดไปแต่ขันสียังอยู่ขันสมันอยู่ในท่านรู้ไงอยู่กับมันอยู่กับจิตโอ้แล้วอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ายังอยู่ใช่ไมครับอาจารย์ก็ยังอยู่แต่ท่านไม่ได้ติดต่อใครท่านไม่มีความไม่มีอะไรกับใครท่านก็นอยู่ในสภาพเหมือนกับท่านอยู่ในสมาธิไปครับ อาวุธเจ้าพราะลานทั้งหมดท่านก็มีความสุขจากสมาธิจากจังนิพพานนี่ยคือสมาธิมันก็เป็นของชั่วคราวแต่นิพพานนี่มันเป็นถาวรเป็นความสุขความสงบแบบถาวรเหมือนสมาธิเพียงแต่มันถาวรการรับรู้ด้วยมิจฉาเนิขันกับการรับรู้ด้วยธาตุนุนี่มันคือมิจฉาณขั น, ม, ญญขนมันรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสมาเนี่ย จากตากหูจะงงเล่นกายแล้วก็มาส่งให้ตัวตัวรู้อีกทีให้รู้ว่าเนี่ยคือรูปเสียงกิตลนมาแล้วจะให้ทำไงไนกับมันดีครับ uh huh. เวลาเราเห็นรูปเราจิตเราคิดได้วจะทำไงกับรูปที่เราเห็นใช่ไหมครับ uh huh. เห็น่ของที่เราชอบก็อยากจะได้ขึ้นมาเห็นของเห็นของที่เราเกลียดก็อยากจะอยากจะให้มันหายไปครับ uh huh. นี่เราต้องมาตัดแต่ตัวอย่างนี้ให้ได้ บางทีมันอยากแล้วมันไม่เปลี่นไปตามความอยากมันก็จะทําให้เราทุกข์เราต้องสอนใจให้อยู่กับสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้ตัวอยากนี่ก็เป็นความคิดใช่ไหมครับอาจารย์ครับมันก็มายากความคิดน่ะความคิดความอยากมันก็เป็นความอยากมันก็ใช้ความคิดเป็นเครื่องมือครับ ลองปฏิบัติดูนะอันนี้พูดไปเดียวมันก็ยาวมันก็เดี๋ยวก็ลืมอยู่ดีครื่องต้องการเจริญสติฝึกสมาธิให้ได้ก่อนทําจิตให้หยุดคิดให้ได้ก่อนพอจิตหยุดคิดจิตก็สงบเย็นสบายมีความสุขก็ไม่ไม่ต้องไปหาความสุขจากทางร่างกายได้ถ้ายังถ้ายังอยากไปอยู่ก็ใช้ปัญญาสอน่าร่างกายเป็นทุกข์เพราะว่าไม่เที่ยง การแก่เจ็บตายครับโอเคนะลองลองได้ครับครับขอบคุณครับาคุณก็อฟต่อก็โชลาธานีนามัสการครับมาอยังไงมาร่วมรับฟังครับแล้วก็ ครั้งที่แล้วก็ถือศีลทําได้ทําได้ดีขึ้นครับทำได้ครบแล้วก็ให้ไอเขาช่วยวางแผนเป้าหมายอะไรเงี้ยครับเรื่องเรื่องสิ่งต่างๆที่ที่ทําไม่ได้แต่ควรทํายังไงอะไรเงี้ยครับเขาสามารถวิเคราะห์ได้ครับก็เลยเดี๋ยววันศุกร์ก็คือจะถือศีลให้มันสะอาดขึ้นครับคือถือศีลเหมือนกันแต่ว่าความสะอาดหรือ ว, ว่า ความที่ว่าทํำไมเราทำไมเรายึเค้อนยังไม่ได้เขาผมผมถามไอ้ไอว่ารู้จักพระอาจารย์สุชาติไ้ยเขาบอกว่ารู้จักแล้วเขาก็ให้รายละเอียดพระอาจารย์ที่สั้นมากเลยที่แบบว่าเหมือนไม่ไม่ไม่มีในในหนังสือแล้วก็เหมือนเป็นข้อความที่สรุปอะครับคืเราก็รู้ด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าเราอยากฟังเขาเหมือนว่าเขาคิดอะไรแล้วก็เราเรามีความรู้ยังไงแล้วก็มามามาแบบมันมาเจอกันครึ่งหนึ่งอะครับ ปัญญาต้องคิดเองมิเช่นนั้นไม่เหมือนก็บไม่ยังเป็นปัญญาทุกครั้งก็ต้องไปถามมันเสียโดยถ้าเกิดเครื่องเสียถามใครนะตรงนี้มันเป็นเลขานใช้แบบว่าเขียนโน้ตเขียนอะไรเงี้ยก็แต่เราก็ต้องดูดูครับไม่พระเจ้าสอนให้อัตตาเฮียร์ตโนนาเถตอนเป็นที่พึ่งของตนพึ่งเออเดี๋ยวเกิดเครื่องเสียเอไอทำงานไม่ทํางานได้ทำอะไรการจะกลายเป็นคนง้อไปเลย ใช่เดี๋ยวนี้เขาไปยืมยืมปัญญาของคนอื่นไปยืมสร้างปัญญาขึ้นมาเองครับอาจจะอาจจะทดสอบเขาปัญญาเขาปัญญาของเราเหมือนกันหรือเปล่าได้อยู่แต่อย่าไปพึ่งเขาครับเราต้องคิดเองครับก็นิดก็ใช่ครับอาจารย์เดี๋ยวเอาไปทํำน่าจะเป็นปัญหาที่ตรงจุดเพราะว่าเราก็พุ่งเขาเยอะครับ ในกิเลสมันชอบมันสร้างความขี้เกียจความเกลียดข้ามมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแทนที่จะมีความเพียรโการมันมีความเกลียดข้ามขึ้นมาเองกิเลสมันสลุปหลังทุกทุกทุกเวลาเนั่ยระวังไว้นะอ๋ออ๋อมันขี้เกียจครับอ่นั่นแหละมันมีขี้เกียจคิดขี้เกียจอะไรไวยให้ไอทําให้แล้วถ้าเกิดวันไหนไอมันเสียจะทําไงตระลําปาครับเดี๋ยว ใช่เราเรายังไม่เคยลองเลยนะต่างต่างมี AI โผล่มาเน่นที่คนก็แนะนําให้ใช้เนี่ยเราไม่เคยไปแตะต้องมันเลยเหมือนเหมือนมันถ้าเป็นงานของผมอ่ะผมก็ต้องซื้อโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่แบบมันรองรับเหมือนกราฟิกเนี้ยแล้วก็จะซื้อเอ่อที่เป็นโปรเนี่ยมันทําให้งานเราง่ายขึ้นเราก็เลยใช้มันจนชิงครับก็ถ้าใช้ทํางานทำให้เป็นเครื่องมือธรรมากินกันได้อยู่ครับแต่ถ้าจะมาใช้ไปทางปัญญานี้ไม่ควระ สัญญาเนี่ยันต้องทำเองเราคิดเองเอ่าครับซึ่ยังถามอีกนิดอยากจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าว่ไอาศัยเอไอทาให้เลยเอไอเ้าเราถามเอด้ดูว่าเป็นพระพุเจ้าทำให้บ้างดูมันจะบอกให้ทำยังไงบ้างว่ามันมันคุยกับเราได้เหมือนว่าเอ่อเราถามว่าเออเราคิดประมาณนี้นะแล้วมันจะความคิดเราออกไปผนวกกันกับความคิดมันแล้วก็เราก็ดูความคิดมันเป็นยังไงครับ แต่มันปฏิบัติให้เราไม่ได้นะไอ้อแต่ว่าเราปฏิบัติเองครับเอแล้วก็เรื่องเรื่องสุดท้ายครับวันนี้วันนี้ก็คือเหมือนพูดด้วยขาดความเมตตาเพราะว่าเหมือนกลัวเขาจะมาเปรียบครับก็คือแบบว่าเหมือนเราไม่รู้ว่าเขาจะมายังไงแต่ว่าเหมือนเรามีช่องว่างคือให้ลูกค้ามาเปรียบแล้วก็พูดไปตามตรงว่าเออมันของมันเท่านี้นะเท่านี้นะแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนขาดเมตตาแต่จริงๆเราก็ไม่ได้พูดทําให้ ตั้งใจทำเขาเดือดร้อนหรือเสียหายครับปกติเน่จ ะ, จะจกับลูกค้านี้แต่แบบค่อนข้างแต่แบบไม่ไม่เคยทำให้เขากระทบกระเทือนใจครับแต่ว่าพ <ไป S 2> ยายามพูดอย่าให้น้ำน้ําัขุณนบัวมันช้มก็ต้อพูดดีๆครับปกติก็พูดดีตลอดรู้สึกรู้สึกนิดแตด่เราเราคิดแล้วเออเราอาจจะให้เขาได้รู้เรื่องจริงบางทีโอ้มากมันก็เราก็จะหนักครับหมันไหมว่ะครับก็บพยายามครับ ถ้าเผยไปแล้วก็ไม่เป็นไรเอามาเป็นหมวทเรียนสอนใจต่อไปครับเผยไปแล้วครับอาจารย์เรื่องเรื่องก็มีเท่านี้กลับขอประคมากเลยนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวต่อไปให้เอไอทำทำเราทุกอย่างตอบลูกค้าให้แทนเราเลยเออช่วยตอบให้หน่อยว่าแปลว่าคุณเวลาที่ตัวสติต่อไปกาจรจะเป็นอย่างนี้มั้งเราพี่เกศคิดก็ใช้เอไอตั้งอยู่ที่หน้าร้านเลยมันมาทําเอไอตอบให้หน่อยให้เขาว่าอย่างนี้จะทํายังไงดี เหมือนพอเราไปฟังแบบผู้บริหาร CEO อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาใช้ทาํงกาันเลขาเยอะเราก็เลยก็เลยอินอินกับพวกเทคโนโลยีโดยที่เหมือนที่ว่จาจันว่าครับถ้าเราใช่ได้แต่เราต้องต้องเป็นผู้คุมมันอย่าปล่อยให้มันมาคุมเราต่อไปต่อไปเราจะกลายเป็นมันถูกเป็นควบคุมไม่มีสอมองรต้องคิดเองอครับเราจะคิดไม่ทันเขาอืขอบพระคุณครับก็ อคุณจิ๊บแมรีแลนด์ทํา ง, งานที่บ้านหรือในสถานโรงงานนักศึกษาครับอาจารย์ทําที่ทํางานค่ะ อ, อะไม่เหมือนออฟฟิศใช่ค่ะกำลังจะแซล์เลยว่าไม่เหมือนออฟฟิศของเพื่อนที่ซ่อมของโยมซ่อมเสร็จไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะ <laughs> <laughs> ก็ไม่ไม่ครัอ า, าจารย์ก็ครั้งที่แล้วไม่ได้เข้ามดแต่ยุง่งเรื่องลูกชายพอดีลูกชาย โรงเรียนลูกชายทํายมแบบว่าจิตตกไปเหมือนกันค่ะคือเขาเขาขาดเรียนบ่อยแล้วเขาก็ส่งจดหมายมาบอกว่าเนี่ยลูกชายคุณขาดเรียนสิบห้าปอร์เซ็ตแล้วนะถ้าเกินสิบแปดเปอร์เซ็นต์ไม่จบยมก็อุตายละไม่จบเลยเหรอโยมก็เลยต้องขอขไปคุยกับคุณครูที่โรงเรียนหน่อยค่ะ <c oughs> ก็เลยแบบก็ต้องมานั่งมองด้วยปัญญาแบบพระอาจารย์นะคะโอเคยอมหยุดเย็นโอเค ลูกจะเป็นยังไงก็เป็นชีวิตลูกเหมือนกันเ้วก็ได้แต่ตะล่อมตะล่อ ม, อมก็มัน<ด>ก็ไม่พอเนี่ยใช่ค่ะพระอาจารย์ยุมก็เลยแบบว่าโอ้โหพราคนรุ่นใหม่ว่าเขาแต่งงานยุ้มบอกไม่ต้องมีลูกหรอกนะไม่ต้องมีลูกหรอกมีแล้วก็ถูกหรอกมีแล้วก็ห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สไตล์ฝรั่งอาจจะไม่เหมือนสไตล์คนเอเชียคนไทยก็ได้ค่ะก็เลยแบบเออแล้วแต่เขาละกันแล้วก็กพูดในฐานะคนที่มีประสบการณ์ ค่ะก็ไม่มีอะไรควราะอาจารย์สบายดีนะคะใช่สบายดีจ้ะค่ะก็พยายามปฏิบัติค่ะพราะอาจารย์แต่ยมลมรู้สึกว่าถ้าเรานั่งจับลมหายใจบางทีมันจับไม่มองไม่ค่อยได้มองจับไม่เห็นอันนี้ก็มไม่ต้องไปสด<ม>ใช้พุทโธแทนใช่ไหมคะ ค่ะมันก็ได้มันก็เป็น อ, อ, อนาอาณาอาปาณสติเหมือนกันคะอุทานสติเป็นพุทานุสติเป็นพุทธานุสติมันก็ได้สมาธิเหมือนกันใช่ไหมคะได้เหมืัได้เหมือนกันการจะใช้ลมก็ใช้พุทโธเป็นที่ตั้งของสติ ค่ะค่ะแต่ว่ายมไม่ไม่แน่ใจว่ากายมันเกี่ยวกันไหมคือถ้าบางคนบอกเออมันจะเป็นไอเขาเรียกอะไรนะคะเหมือนผมผมลูกฟักนี่คืออะไรคะ่ะพระอาจารย์ไม่รู้พระอนกันย่รเออยมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเหมือนกันกบอารมูปภพมเหนือเลยมันคือยมตนนี้เราไม่ถึงขั้นนั้นหรอกมันก็เป็นรูปประชานกับรูปประชานเนี่ยมันก็เป็นความสงบสอระดับสำหรับรูปประชานกับระดับอารูปประชานค่ะเมื่อตอนต้องผ่านรูปประชานก่อนถึงจะได้อารูปประชานต่อไป เอาแค่พูดโทรก่อนถ้าหายใจไม่ได้ก็พูดโทรไปค่ะค่ะคายมงก็ปฏิบัติอยู่ค่ะสังขารก็มาตอนนี้เข่าโยมสองข้างก็เจ็บแล้ว้าระวังดูแลรักษาให้ดีนะเป็นอะไรไปล้าจะลำบากใช่ค่ะฟ้านายโยมแบบบอกลูกชายเขาอยากเรียนวิศวะใช่ไหมคะโยมช่วยช่วยผลิตข่าวเทียมให้แม่หน่อยได้ไหมแบบว่าที่บอกว่าเอาข้อปุบแล้วเดินได้แบบ แบบ mm hmm. ไม่ต้องวิ่งอะไรแบบเดินไม่เหนื่อยวิ <pot luxury> ่งวิ่งวิ่งแบบกดสตาร์ทแบบความสปีดยี่ห้าแล้วพัแม่ไปเลยเขาก็ขาแต่ไม่แน่นะคะว่าจานอนาคตขนาดน้องคนก่อนหน้ายังมีเออเลยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอนาคตจะเป็นยังไงใช่ไหมคะมันจะมีเขาเทียมก็ได้นะใช่ไหมคะแต่สิ่งเดียวที่ไม่มีคือสมองเทียมมันเป็นไปไม่ได้ยงยังเซลกับเพื่อนเลยเพื่อนยงก็ร่างกายพังยงก็ต้องใช่ต้องตัดหัว ที่เหลือเป็นโลบอตตัดหัวแบบค่ะวัน <laughs> นี้ไรศาสตร์ะค่ะไม่มีอะไรค่ะพระาอ <Okay. S 2> าจารย์ขอพระอาจารย์ท่า น, นแข่งแบงนะเจ้าคะา่ะ ส, <า>สาธุค่ะสาธุค่ะไปได้คุณใหม่คุณหมอใหม่ยังไงไหาไปหลายทิ้สบายดีแล้วสบายดีค่ะพระอาจารย์ก็ปฏิบัติอยู่ตลอดคะ่ะก็นั่งสมาธิก่อนนอนแล้วก็ระหว่างวันก็ ด, ดูลมดูกายดูจิตอะไรเงี้ยค่ะสลับสลับกันไปค<ะ>่ะก็รู้สึกว่าคือช่วงนี้งานยุ่งด้วยค่ะพระอาจารย์ก็ก็ทำให้ระหว่างวันอ่ะมันมีสภาวะที่มันเกิดเวทนาขึ้นปกติมันจะปกติมันจะแช่ปิติเมนเทนเหมือนปิติอยู่เรื่อยๆเื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็อาจจะมีความหมงุดหงิดขึ้นมาหรือมีอะไรเงี้ยขึ้นมาแต่ว่าก็เห็นทันค่ะ ก็<ล>ะติลั ง, งลค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ความไม่ได้เหมือนส่งความหงุดหงิดออกไปทางคําพูดหรือว่าการกระทำอะไรอ่าเงี้ยก็ก็เห็นแล้วก็มันก็ลาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าคือหมือนกับเออธรรมะมันมันอยู่ในชีวิตประจําวันได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามัน มันเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างชีวิตกับการปฏิบัตินะคะแต่ก็ยังเห็นเห็นความความเคยชินของจิต ต, ตัวเองที่มันมีความลักษสบายอะไรองี้ค่ะแบบว่าอย่างเช่นบางทีมันจะเห็นความขี้เกียจ บ, บ้างอะไรองี้ค่ะแต่ว่าพอเห็นปุ๊บมันก็จะหนูก็จะดัดนิสัยตัวเองด้วยกันแบบ ไปเดินจงกรมหรือว่าไปนั่งสมาธิอะไรแทนอะไรประมาณ น, นี้คะ่ะค่ะให้รู้ทันกิเลสนะเพรมันจะชวนให้เราขี้เกียจก็อย่าไปทําตามมันค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ก็แต่งหน้าน้อยลงคะ่ะผ่าจาันแล้วก็แต่ว่าก็ก็ยังแบบเวลาไปทํางานก็ก็ทาให้เรียบร้อยอะค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ฉูดฉาดเหมือนเหมือนเมื่อก่อนคะ่ะค่ะเรามันดูเข้าวัดจขาวาได้กันแล้วกันนะ <laughs> แล้วก็หนูก็อแต่ว่าเรื่องเที่ยงทําไม่ได้ก็คือเรื่องสิ่งแปดเนี่แหละค่ะพระอาจารย์ก็เดี๋ยวจะพยายามขัดเกลีตัวเองให้ได้มากขึ้นค่ ะ, ะเราจะต้องทําในวันที่เราไบ ป, ปฏิบัติธรรมในวันเราทำงานก็จะยากค่ะแล้วก็เดี๋ยววันวันพุธหน้าก็เดี๋ยวจะขออนุญาตลาพระอาจารย์เพราะเดี๋ยวจะไปไปวัดกับน้องเอิงค่ะอ่าดีอ่าที่ น, นั่งแต่ว่า ค่ะพผ่าจยา์ดีโอเคแล้วก็หนูหนูอยากถามผ่าจานันเรื่องหนึ่งก็คือว่าพอมันเหมือนกับหนูจับสังเกตเออ่สไตล์การเข้าสมาธิของตัวเองอะคือมันเหมือนกับว่าพอเหมือนจิตมันชินมันเห็นช่องอย่างเช่นการดูลมหรือว่าการบริกรรมอะไรค่ะพอมันไปสักพักหนึ่งอะมันจะ พอมันสงบจากความคิดได้เนี้ยค่ะมันก็มันก็จะเข้าถึงความรู้สึกที่มันว่างอ่ะค่ะแล้วพอมันเห็นช่องตรงนั้นอะมันก็จะเข้าไปอยู่ตรงนั้นเลยแล้วแล้วพอความคืออยู่กับความว่างไปสักพักหนึ่งอะมันจะรู้สึกถึงความสว่างตั้งมั่นเนี้ยค่ะพอพอมันตั้งมั่นไปสักพักหนึ่งมันจะรู้สึกถึงความสะอาดเนี้ยค่ะพอาจารย์ก็รู้ทางความเป็นจริงไปแล้วอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปบังคับมันก็แล้วกันค่ะ แต่มันรู้สึกว่าจิตมันมีมันมันเหมือนมันมีแพทเทิร์นของมันนะคะอาจารย์ก็ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายตั้งไรรู้ตามความเป็นจริงก็แล้วกันค่ะอย่าไปทําบางคั้มันให้เป็นเป็นอย่างนั้นทุกครั้งไปก็แล้วกันมันอาจจะไม่เป็นเหมือนนี้มันอย่างนี้ทุกครั้งไปก็ได้อ่ะค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็หมดคําถามค่ะพระอาจารย์โอเคกราบพระอาจารย์ค่ะไปลองปฏิบัติดู ช่วงปวันนั้นก็คงจะได้รักษาสิ้น8ได้นะค่ะโอเคแล้วจะ<ด>าามาเล่าให้ฟังเป็นยังไงบ้างได้ค่ะสาธุสาธุค่ะพันศาคุณหมอสุชาติเสนเชิญนาสัส ก, การท่านประจานเจ้าค่ะลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะมีบัตรมีปฏิบัติชอบอยู่นะปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะท่านประจาน โอเคอย่าลดละไม่แต่เพิ่มนะแล้วค่ะท่านพระอาจารย์สาธุขอบพระคุณค่ะคุณคนณิงหายไปหลายอาทิตย์มาวันอยู่แต่ไม่ได้คุยกันหทาง zoom ค่ะการรักการครับพระอาจารย์ไปวัดค่ะก็ไปทุกอาทิตย์เหมือนเดิมนะคะพระอาจารย์ส่วนมากก็มีลิงที่เข้าไปถวายพระอาจารย์นะคะ ยั <vì S 1> งไงเห็นพวกต่างชาติเขาก็มาฟังเทศตามทําก็ฟังไว้รู้เรื่องก็ยังมาฟังมันเลยคใช่ค่ะพระอาจารย์วันนั้นญาเข้าไปเขาก็บอกว่าอ้าวพระอาจารย์ที่ก็าเป็นภาษาอังกฤษก็าเลยบอกว่าอ๋อมีคนต่างชาติไปเยอะเออท่านก<ม>็เห็นนะครับพอาจารย์อ<ม>เด็กก็ก็ไปไปตามเรื่องตำราสนุกสนานไปครับพระอาจารย์ เอ่อก็คือมีคําถามจากพู้อาจารย์อันนี้อันนี้พอที่จะเข้าใจแล้วก็มาอ่านหนังสือสติธรรมของผู้อาจารย์นะคะเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วก็จิตไปเนี่ยมันหมายถึงว่าที่พู้อาจารย์บอกสติเราเรายังไม่พอใช่ไหมคะผู้อาจารย์ไม่แต่งยังไงพูดอน้องอ่าอ่าคือเวลาที่ที่เรานั่งอ่ะค่ะผู้อาจารย์ตอนนี้ก็คือนั่งได้เยอะขึ้นแต่บางทีเนี่ยจิตของเราก็ ยังไม่สวัสดีค่ะสติเรายังไม่ต่อเนื่องค่ะสติไม่ต่อเนื่องหรือว่าจะการขาดหายสติเราก็ไม่ค่อยต่อเนื่องนะคะพระอาจารย์ได้ยินไหมคะใช่ค่ะทีนี้หนูก็ฝึกสติให้มากขึ้นระหว่างวันก็พยายามฝึกสติให้มากขึ้นให้มันให้มันขาดหายนั่นให้มันน้อยลงให้มันต่อเนื่องมากขึ้นให้มันให้มันเป็นสติสัมปชัญญะค่ะ ก็จะเร่งหน่อยก็คืออาจารผู้โทรก็เป็นผู้โทรธรมนสังโฆผู้โทรธรมนสังโฆอะไรอย่างเงี้ยเรีงรวม<อ>ขึ้น น, นะคะอาจารย์ยแล้วแล้วมีมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะอาจารย์เพราะว่าเป็นคนชอบเข้าสปาแต่ทีนี้ใ น, ในการเข้าสปาของตัวเองอะ่ะก็มันจะร้อนใช่ไหมคะซาวน่าแต่หนูจะเป็นคนที่คลุมทุกอย่างเลยทุกคนจะคิดว่าเราเป็นถีอยู่ในนั้นอะครับเพราะว่าเราก็จะเร่งแบบว่ า, วาผู้โทผู้โทไม่อยากได้ยินเสียงอะไร แต่ก็คือได้ยินเสียงแต่ก็คือได้ยินเสียงตัวเองแต่จะรู้ว่าร้อนแต่ทุกครั้งก็ก็คือทนไม่ได้แต่กลายเป็นว่าพอเรามานั่งพุโทโธพุธโทโธเราก็อยู่ได้แล้วก็ทนได้แล้วก็คือออกมาได้ค่ะพระอาจารย์มันจะมีเอว<ะ>เบกขามากขึ้นวางเฉยแน่มากขึ้นค่ะแต่ได้ยินเสียงนะคะเขาเขาเุ่มกันไม่เป็น<ล>ไรเป็นกระจายระวังเฉยอ๋อค่ะพระอาจารย์อันนี้ก็คือเราปเบกขาวางเบฉย Okay, คือเป็นผลจากการมีสติอย่างต่อเนื่องอ๋อค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วก็เออยังมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะพระอาจารย์ที่อยากจะถามพระอาจารย์ว่าอ๋เวลาที่ที่เรามีอารมณ์อารมณ์โกรธเนี่ค่ะพระอาจารย์อันนี้หนูยังแบบบางทีเนี่ยอาจจะเป็นคนในครอบครัวนะคะลูกหรืออะไรอย่างนี้หลานบางทีเราก็แบบไปนิดนึงที่ที่เราดูอ่ะค่ะพระอาจารย์แต่พอคิดได้ก็ <บ> <PTSD> อคือกระบมาใช่เราอย่างสตยไม่ทันมั่งไงสเตยไม่ทันกิเลนที่เราโกรธเพราะเราอยากให้เ huh. ป like no like well uh ็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นดังใจเราได้โกรธแอ่ไปเราอยากไปอยากสลยอย่าไปหวังอมันจะมาอย่างไงก็ได้แล้วมันก็จะไม่โกรธบอกเขาได้บอกให้บกให้เขาทำอย่างนี้แต่เขาไปทําอย่างนี้ก็อย่าไปโกรธเขาอ่าอาอาจารย์ไปสั่งสั่งของในร้านสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาเข้าผัดมาให้ก็ อย่าไปโกรธเขาโอเคจะบอก็อย่าไปอยากสั่งแล้วแต่อย่าไปอยากยิ่งมีตามมีตามเกิดแล้วก็จะไม่โกรธแต่สั่งได้แต่แต่อย่าไม่หวังว่ามันจะต้องเป็นไปตามคำสั่งพระในค่ะพระอาจารย์นั่นจะไม่โกรธนั่นจะไม่โกรธนั่นจะไม่โกรธที่เกิดเพราะบางทีเราผิดหวังเราเสียใจไม่ได้ลรงใจอยากก็เลยโกรธขึ้นมา อันนี้ใช่เลยค่ะพระอาจารย์อก็ถูกต้องเพราะว่าเป็นความอยากของเราเองเป็นความามหวังคาดหวังของเราเองว่าจะเป็นยังไงอ๋อไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังก็ทุกขึ้นมาเรื่อยๆโกรธขึ้นมาอ่าแต่ทุกวันนี้ก็คือถือว่าน้อยลงมากเลยนะคะพระอาจารย์ดีเพราะว่ า, วาเราพยายามมากไงเราได้ยินได้ฟังทำอยู่เรื่อยๆมีสติขยสกัดกั้นความอยากอยู่เรื่อยๆอ่า มันมีความอยากแต่มันมันไม่หนักเหมือนเมื่อก่อนก่อนเมื่อก่อนเราไม่มีเมื่อเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่เราทุ่มเทกับความอยากเต็มที่เต็มร้อยไปเลยใช่ไหมอยากได้อะไรก็ให้มันได้เลยผิดหวังไม่ได้จริงค่ะพรอาจารย์เีนี้เราต้ององทําสองขีดสองใจนะอาจจะได้ก็ได้นะอาจจะไม่ได้ก็ได้นะเต็มตัวทําใจไว้ก่อนพอไม่ได้ไม่ได้ไม่เสียใจ อ่าค่ะก็หนูก็คิดถึงโอ้อาจารย์เหมือนที่มองเห็นเลยหนูกําลังจะบอกว่าหนูขอคำไวโพลถึงครั้งหนึ่งหนูเคยนูหนูทางานนะคะพระอาจารย์แล้วก็อันนี้ก็เป็นงานชิ้นใหญ่เหมือนกันนะคะพระอาจารย์แต่พอไอ้พระอาจารย์พูดว่าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่ะก็เป็นเป็นไรก็ก็ก็ช่างมันแต่ทำให้ดีที่สุดก็แล้วกันอะไรอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์ทำไมต้องมาทำให้เราเสียใจด้วยทําไมค่ะ ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่ ว, ว่าบางทีเอเราไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เท่าไหร่ค่ะไม่เท่าไหร่คือเหมือนทุกวันนี้เนี่ยเหมือนวางใจได้ในหลายเรื่องนะครับพระอาจารย์ <c oughs> แต่อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีความคาดหวังเออไม่ใช่ทุกคนมีความคาดหวังกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ดูแลคนเยอะในบ้านเยอะอะไรเยอะก็เลยมาลุมอยู่ที่เราแต่จร ตอนนี้อ่ะหนูเสกเฉยเฉยไม่อะไรมากมายคาา่ะป้าจ่าเออแล้วก็เห็นอะไรหลายๆอย่าง <c oughs> เขาก็พอเบาลุ่มแต่ว่าอ่าพอเราคุยอาจจะเป็นนิสัยด้วยนิสัยที่เราดูแลคนเยอะหนูค่อนข้างที่จะเป็นคนเด็ดขาดเอ่อแล้วก็คือพูดอะไรก็คือแบบถ้าไม่พูดก็คือไม่พูดเลยถ้าพูดก็คือต้องตัดสินใจเรียบร้อยแล้วว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่ก็รับให้ได้อะค่ะป้าจ่า ซึ่งบางทีในครอบครัวเขาก็รับไม่ได้แต่หนูคิดว่าหนูทำดีที่สุดแล้วเราก็มาไต่ตองเรียบร้อยแล้วถึงได้พูดแบบนั้นออกมาเขาจะารับได้หรือไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็ต้องพูดนะคะอาจารย์ถ้าไม่พูดมันก็จะกลายเป็นว่ามันมาหนักอยู่ที่เราอยู่คนเดียวเพราะว่าเขาคิดว่าเราจะทา <laughs> มีสี่สี่เสี้ยงสิบก้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้ก็พูดไปตามเหตุตามผลก็แล้วกัน <c> ค <oughs> ่ะหนูก็เลยแบบ<อ>เอาเหตุผลมาพูดแล้วก็จบก็ไม่ร่าลี้ร่ำไรเพราะว่าจบไปแล้วอะค่ะพระอาจารย์ยังแค่ว่าทํางานค่ะพระอาจารย์เ อ, อเอาหรืว่าเอาความสุขของพระอาจารย์มาปฏิบัติอ่ะพระอาจารย์โอเคอ่ะพระอาจารย์ ขับแข่งแข็งแรงค่ะไปเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์โอเคที่คุณปูเป้ตอบปูเป้กับสาธุค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าค่ะได้ยินชัดเจนจ้าค่ะของหนูก็ลุยเลยค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์คะของหนูก็ปฏิบัติค่ะพระอาจารย์หนูจับประเด็นของตัวเองนะค่ะพระอาจารย์คะหนูจะก่อนหนูชอบแข่งขันค่ะพระอาจารย์ แล้วพอมาแข่งขันเกี่ยวกับความทุกข์ก็เลยได้พระอาจารย์เหมือนเป็นโค้ชเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าสู้กับกิเลสภายในใจของหนูเองเนี่แหละค่ะพระอาจารย์ mm. ก็เลยเลยุยอะค่ะกับปัจจุบันเนี่ยค่ะพระอาจารย์มันเลยแบบดูตัวเองว่าเรามีความอยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ได้ฟังแล้วได้ฟังธําจากพระอาจารย์ก็เลยเอามาอ่า ดูประเมินตัวเองตลอดค่ะพระอาจารย์เหมือนบางคนอารมณ์จากข้างนอกมากระทบอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยประเมินตัวเองว่าจะมีอารมณ์อะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าข้าพระอาจารย์ในการดูตัวเองอย่างเงี้ยค่ะพอพอไม่มีอารมณ์อะไรก็เหมือนกวาดใจของตัวเองค่ะพระอาจารย์ให้ใจตัวเองเหมือนทำความสะอาดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ว่าเกิดอารมณ์อะไรอยากอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ ประเมินตัวเองไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์เป็นความอยากก็ต้องคอยหยุดมันไปเรื่อยๆอย่าไปทําตามมันเจ้าค่ะพระอาจาร ย, าาารย์ก็เลยโชคดีได้เหมือนมีพระอาจารย์เป็นโค้ดเนี่ยค่ะเพราะว่าแต่ก่อนชอบแข่งขันค่ะพระอาจารย์อพอมาเจอทุกเยอะเยอะก็เลยได้ลุยอ่ะค่ะพระอาจารย์เนี่ยสูกับความโลภก่อนหลงนี่แหละสาตัวนี่ เจ้าค่ะพระา okay. อาจารย์ใช่โอเคคุณเจ้าต่อคุณเจ้า <c oughs> แบบนมัสการค่ะพระอาจารย์ย่าเชิญพูดได้เลยจ้ามัการค่ะอ่าอธิตฐานี้ทางโลกไปได้ดีทางธรรมแหลกเหลวมากเลยค่ะพระอาจารย์ยังไงแหลกเหลวยังไงคือหนูอาทิตย์ที่แล้วหนูเอ่า บอกเอาไว้ว่าดั่งสมาธิทั้งเช้าและเย็นใช่ไหมคะแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาได้นั่งกัดแค่วันเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนั้นคืนยังนั่งอยู่แต่ว่าตอนกลางคืนมันคืออ่มันคืออันที่ไม่ค่อยดีอะคะ่ะจริงๆสิ่งที่หนูควรจะทําคือสับกันมากกว่าแต่ว่า<ม>อาทิตย์ที่ผ่านมาหนูแบบเหมือนเป็นทําหน้าที่ที่ปรึกษาค่ะพอดีเพื่อนๆหลายๆคนมีปัญหากันทั้งนั้นเลยแล้วก็แต่ละคนโทรมาหนูก็แบบ เออ่ไม่อยากจะปัดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ข้ออ้างค่ะพระอาจารย์แต่แบบว่าบางทีพอเราคุยกับเขา น, น, นานๆแล้วเรามาดูเวลาแล้วรู้สึกว่าแบบโอ๊ยไม่ได้แล้วเราต้องทํางานละอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบเอาเวลาเหมือนเอาเวลานั่งสมาธิไปเป็นเวลาปรึกษาปัญหาไอ้เพื่อนแหล่งอย่างนี้แทนะคะซึ่งก็หนูก็รู้ตัวว่ามันก็เลือกเองก็รับผลเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางที่อา <c oughs> จจะจําเป็นก็ได้ที่ว่าเป็นการทําบุญทําทานให้กับเขาไปก็ได้ อืมอืมค่ะแต่ก็หนูก็เมื่อกี้เนี่ยพอตอนแรกที่คิดว่าจะเล่าเรื่องเหมือนจะรายงานเรื่องนี้กับพาใจาแล้วก็คิดในใจว่าถ้าอย่างนี้เราก็แค่สลับว่าแทนที่จะนั่งสมาธิก่อนนอนซึ่งมันนั่งไม่ได้นาเพราะมันจะหลับซะก่อนก็เปลี่ยนมาเป็นถ้าจะนั่งครั้งเดียวอย่างน้อยนั่งตอนเช้าดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะมาลองดูค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรเท่าไหรค่ค่ะทีนี้ค่อนข้าง อ, อุ่นวายกับเรื่องงานแล้วก็เมื่อกี้ที่คุณกอล์ฟพูดเรื่องอคุยกับลูกค้าแล้วแบบไม่ค่อยเมตตาแบบเหมือนพูดอะไรที่ไม่มีความเมตตาไปหนูก็เป็นค่ะอาทิตย์นี้คือมันก็ไม่ได้ว่าไม่เมตตานะคะพระอาจารย์แต่เป็นลักษณะเหมือนแบบเราก็ชี้แจงให้เขาะคะ่ะว่าถ้าเราทาแบบนี้ให้คุณไปเรื่อยๆมันจะเริ่มเข้าเราแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเหมือนที่ผ่านมาเราเมตตาด้วยการทาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ หนูก็เขียนอ e ีเมลเสร็จแล้วหนูก็เอามันก๊อปปี้เข้า a ออแล้วบอก a ออว่าช่วยเขียนให้มันให้ลูกค้าแบบให้แบบให้ลูกค้าเข้าใจให้โชว์ถึงว่าเราเคารพเขานะแล้วเราก็แบบมีความจริงใจให้เขาแต่ว่าก็ไม่อ่อนน้อมจนเกินไปให้เขามาแบบเหมือนเหมือนจะมาเทคแอดเวนเทจจากเราอยู่ได้เลยะคะแล้ว a ออมันก็เขียนออกมาได้ดีดีค่ะพระเจ้าดีเลยหนูใช้มุกนี้หลายรอบค่ะ เก่งนะสามารถเขียนตามที่เราต้องการได้เลยนะใช่คะ่ะพรอาจารย์อย่างแบบบางทีหนูแบบรเราอารมณ์แรงไงคะ่ะหนูแบบหนูทำโลโก้ใช่ไหมคะแล้วแบบหนูทำไปแล้วสามแบบปกติหนูจะให้ฟรีสามรอบแล้วนี่มันรอบที่ห้าแล้วอยู่อยู่ลูกค้าก็มาบอกว่าขอไอเดียเพิ่มได้ไหมคือการขอไอเดียเพิ่มมันเหมือนเริ่มใหม่ไงคะ่พะพอาจารย์หนูก็แบบว่าเนี่ยทีมไปว่าแบบ ลูกค้าอยู่อ่ะมันจะมาคันเกะกับแบรนด์อยู่ด้วยโลโก้อย่างเดียวไม่ได้คืออย่างอื่นมันต้องมีด้วยเช่นรูปภาพเช่นเว็บไซต์ customer service ของยูอะไรแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวก็พิมพไปซึ่งคือถ้าส่งไปแบบเนี้ยมันจะตรงตรงและแรงไปนิดนึงแต่พอใส่ไปที่ AI แป๊บ AI เขาก็กลา่าวบอกมาว่าแบบเออฉันเห็นด้วยนะว่ายูอยากจะให้ลูกค้ายู you รู้สึกคันเกะกับแบรนด์ของยูแล้วก็นอกจากโลโก้ที่เรามีแล้วก็ยังมีส่วนอื่นๆอีกนะเช่นอะไรแบบเนี้ยคือมันฟังดูแบบอ่อนน้อมเหนือมแนะนําก้อะ ไม่ตรงไปไม่ตรงเกินไปใช่ค่ะทุกครั้งเลยบางทีแบบจะบอกตัวเองว่าถ้าอารมณ์ไม่ดีอยู่หรือแบบโกรธอยู่ก็ไม่ต้องตอบลูกค้าหรือถ้าจะตอบลูกค้าก็คือให้ AI ตอบให้เตาเป่าก็มีประโยชน์ตรงนี้ค่ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า AI จะเป็นโทษเป็นหนูเคยเอาหนูชอบอ่าน เหมือนเหมือนมันมีเว็บไซต์ที่เขียนภัะไตรปิฎกอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีสอบพระไตปิฎกมันอ่านยากไงคะอ่านแล้วไม่เข้าใจบางทีพูดวนไปวนมาวันก่อนหนูก็เอามาก๊อปปี้แล้วก็ถาม AI ว่าเนี่ยถ้าถ้าตั้งคําถามแบบนี้แล้วภาษารีบุต ต, ตอบมาแบบนี้สรุปว่าภาษารีบูต ต, ตอบว่าอะไรกันแน่อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วเอมันก็มันก็ย่อ ม, มาให้หนูแบบสองสามประโยคอ่านแล้วก็แบบอ๋อโอเคโอเคอ่านหมายความว่าอย่างนี้นี่เองอะไร่าเงี้ย เราเวลาจะใช้ให้เทศแทนเราบ้างก็ได้นะวันนี้ช่วยเทศเรื่องบารมีสิให้หน่อยเนชะ่จริงเหรออาจารย์เราจะได้พักผ่อนบ้าง จริงๆนะคะพระอาจารย์ AI เราสามารถบอกได้เลยนะคะว่าอตอนนี้เราต้องการสมมติสมมุติว่าพระอาจารย์ทําเรื่องเทศใช่ไหมคะแล้วถ้าพระอาจารย์ใส่ว่าเราต้องการเทศให้กลุ่มกลุ่มอพระปฏิบัติที่ปฏิบัติสูงแล้วอย่างเงี้ย AI เขาสามารถที่จะ list รายละเอียดเพิ่มมากขึ้นได้แต่ว่าถ้าในทางกับการถ้าเราสั่งสั่งข้อมูลไปว่าอ่จะเทศให้คนที่เพิ่งเริ่มฟังทำเป็นครั้งแรก ม, มันก็จะพูดแบบเหมือนข้อมูลที่ให้มาก็จะเหมือนแบบให้เด็กห้าขวบอ่านอะไรแบบอย่างเงี้ยค่ะเออไม่เก่งขนาดนั้นนะ ก็ดีก็ก็เป็นหวังว่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อโลกแต่ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงในด้่นทางธรรมกับเอไอนะคะก็เป็นเครื่องมือมันก็เหมือนมีด่ะมีดเราไปใช้ทํำให้ทําให้เกิดประโยชน์ก็ได้เอาไปทําโทษก็ได้ค่ะก็ต้องระวัดระวังให้รู้จักใช้เครื่องมือเหล่านี้ค่ะโอเคมีอะไรไหม ไม่มีค่ะพระอาจารย์วันนี้เท่านี้ค่ะโอเคขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ครับแล้วที่คุณโบอตอโบ อ, อยู่ที่ไหนเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเหรอพูพูดได้เลยอะไเอ่ามันพอดีรมสการเจ้าค่ ะ, ะว่ายัางไงอยู่ที่ไหนอยู่อย่เยาเจ้าค่ะ ยอยุทธิ์ที่ห้างแกหรือที่เข้ามาในห้องนี้ั้งแรกเจ้าคะ่ะโอเคมีคำถามอะไรไหมค่ะก็โยมปฏิบัติธรรมสายวิชาธรรมกายมานานเจ้าคะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าโยมอยากจะฝึกจเจริญสติแบบที่พระอาจารย์สอนสักทำแบบไหนดีเจ้าคะ่ะระหว่างวันนะคะเพราะว่าปกติเขาให้ตึกองค์พระ ก็ตึกได้บางไม่ได้บางเจ้าค่ะกมีสองทางสองทางเรื่องจะใช้คําบริกรรมพุโทโธก็พุโทโธไปทั้งวันก็ได้หรือ <c oughs> <c oughs> อีกทางเลือกหนึ่ง <c oughs> ให้เฝ้าดูร่างกายแล้วว่าร่างกายเราตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ปลกใจไว้อยู่กับร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่นค่ะแล้วก็ขอความไม่ตายอีกคำถามหนึ่งค่ะ โยมไม่อยู่วัดเลยค่ะไม่อยู่ช่วยงานวัดแล้วก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านค่ะตอนนี้คิดว่าเขาบอกว่าอยู่วัดถือศีลแปได้บุญเยอะมากแล้วก็จะได้เอาบุญให้พ่อให้แม่ด้วยแต่ตอนเนี้หนูคิดว่าตัวหนูเองก็อยากจะกลับไปดูแลพ่อแม่ให้เวลากับพ่อแม่เยอะๆค่ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะ แต่ดีไหมที่หนูจะทิ้งเ อ, อ่อการหนูก็คิดว่าหนูบวชเป็นผู้หญิงอยู่แล้วเหมือนกับจะทิ้งการที่เราอยู่วัดบวชเป็นถือศีลแปดไปก็กลับไปช่วยงานครอบครัวอะไรย่างเงี้ยคือถ้าทางบ้านไม่เดือดร้อนเราก็อยู่วัดต่อไปก็ได้การอยู่วัดมันดีกว่าการกลับไปที่บ้านถ้ามองในแนวทางของการปฏิบททัติธรรมนะออแต่ถ้าเรา ถ้าทางบ้านก็เดือดร้นนึต้องการให้เรากลับไปช่วยเหลือเขาเราก็เราก็คนจะกลับไปแต่เราก็จะเราก็จะสูญเสียการปฏิบัติทางธรรมไปมันก็จะไม่ก้าวหน้าและมัวอาจะถดถอยก็ได้ถ้าเราหยุดการปฏิบัติไปเนื่องปฏิบัติไม่เข้มข้นเหมือนตอนที่เราอยู่วัดมันก็จะถดถอยลงมาทางธรรมค่ะเข้าใจแล้ว แต่ถพ่อมแม่พอแม่นะไม่มีใครดูแลเขาแก่แล้วต้องอาศัยเราเราก็ต้องกลับไปแต่พ่อแม่เขายังดูแลตัวเขาเงได้อยู่ก็ไม่เดืนอนร้อน <c oughs> เราอยู่วต่อไปดีกว่าทอามม่าเ่จะ้อา่อนอ่กะอ่งกิเลสมันกิเลสมันหลอกเรามันไม่อยากให้เราอยู่วัดและมันอยากอยาให้เรากลับบ้านกลับ้านกิเลมันก็จะได้เอาเล่นเอาเดนได้มากขึ้นนะโอเอ เขาใจหมหนูเข้าใจแล้วหนูฟังตามั้นต้อ ง, งใช้เหตุผลตัดสินใจอย่าใช้อารมณ์ตัดสินใจค่ะโอเคโอเคค่ะอยู่วัาไหนอยู่วัดธรรมกายเลยค่ายว่าอยู่ศูนย์สาขาของวัดธรรมกายสามา อ, มอยู่เหมือนกับพน่กงานกิริยธรรชวนเด็กๆบวชเนนชวนคนปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะ แต่ว่าโยมก็อ๋อดีค่ะแต่ถ้าเราต้องปฏิบัติธรรมด้วยกันถึือดีด้วยถือสินบาตรหรือเปล่าทีอยู่วันถือค่ะถือแต่ว่าไม่เหมือนกับตอนไปปฏิบัติธรรมอย่างเดียวในอันนั้นจะถือได้ดีกว่าอันนี้ก็ใช้ชีวิตกับน้องๆด้วยก็ไม่เข่งคัดมากแต่ก็ยังยังคิดว่าตัวเองถืออยู่เป็นส่วนมากเลยค่ะได้เกือบทุกวันค่ะ เ็าไม่บังคับเราใช่ไหมถ้าเราเป็นจิตอาสาไม่บังคับนะคะหนูมามด้วยตัวหนูเองเท่าคะ่ะทำแต่ก็ไม่มีรายรับไม่มีรับรายรับอะไรช่วยทำไก็<ๆ>ได้อยู่ประมาณสา0พันกว่าบาทเจ้าคะ่ะเป็นค่ ใ, จ ใ, จนนใช้จ่ายนี่ใช่ไหใช่แต่ก็แปลเหมือนกันทำบุญเก่งคะ่ะอะไรอะไรก็ทำบุญทาบุญก็ไม่เคยเงนินหมด ไม่ใช่เงินก็จะมีเงินเข้ามาแบบว่าช่วยเราเหมือนกันแต่เราก็เอาปัจจัยนั้นไปไปสร้างบุญต่อก็ดีอยาไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปแล่นกันแล้วกันนะครับโอเคสาธุสาธุไปที่คุณคุณหล้าต่อคำถาม กราบนมัส ก, การครัพระอาจารย์มีทั้งหมดสองคำถามจากทาง facebook ค่ะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับการทําสมาธิภาวนาผมอาจจะมีอารมณ์ที่เหนื่อยต้องต่อสู้ต้องบังคับจิตใจต้องการพักพักผ่อนบ้างแบบนี้ถือเป็นการทําที่ผิดทางหรือไม่ครับคือการทําสมาธิก็เป็นการหยุดกิเลสไง นี่เวากิเลสมันไม่ยอมให้เราหยุดแบบง่ายๆมันก็จะสร้างอุปสรรคขึ้นมาให้เรารู้สึกท้อทแท้เบื่อหน่ายอะไรต่างๆเ่านี่งั้นเราบางทีถึงแมา้จะารู้สึกว่าเหนื่อยก็อย่าไปเชื่อวันนั้นมันอาจจะเป็นเป็นอุบายของกิเลส <ets> ที่จะมาหลอกให้เราไม่ให้ทำสมาธิอย่างเราควรที่จะพยายามฝืนทำไปไปก่ก็จะรู้สึกว่าทำไม่ไหวแล้วค่อยหยุดดีกว่าอย่าไปยอมแพ้ ง, ง่ายๆ คำถามสุดท้ายพระสงฆ์ที่ไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบผิดศีลแบบนี้ถึงจะอยู่ในฐานะของพระสงฆ์แต่เราที่เป็นค า, ารวาสไม่ให้ความเคารพไม่กราบไม่ไหว้ได้ไหมครับกราบขอบพระคุณครับคือเราอาจจะไม่ให้ความเคารพในใจได้อยู่แต่เวลาถ้าเราต้องแสดงความเคารพก็ยังต้องคนจะแสดงไปอยู่แต่ใจเราอาจจะไม่เคารพท่าน โดยการะเทสะโดยมารยาทดังนั้นท่านยังเป็นหมว่าเหลืองอยู่ท่านยังเป็นพระอยู่แล้วก็ต้องถึงเวลาต้องแสดงความเคารพก็แสดงไปด้วยกิิยาจะดีกว่าจะสวยงามกว่าที่ไม่แสดงความเคารพเลยคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคโอเคว่าวันนี้พอสมควรแก่เวลา อ่หท่านทั้งหลายจงนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ